มาที่ แดนใดบ่หวัง เสียคํำเถลาเงินวันเนี้เสีมีสัตวดลายอันตรายขันเป็นพาราตายตามบาทสาลิกาบอหลับตาขันเจ็บได้ยังไขบ้างกับโยปางละหัวและเมียปัญห์เพราะมีเสียงขันบิีนเถียงล่ะเกิดขาดเครื่องขันใจกันเอาจังฝ่าฟันที่ทั้งหางล่ะหัวบอทําเมียบอสางวังหุง บ่ถียท่าละจึงเ้วทั้งยาคันมาที่เป็นจังสันยาฝันพ่อีิต่อตามาละงามเบี้นางอ้ยสาวเจ้าก่อนยาสวามละก็ตตมสังตกลงสาละยีงามบุดดิ ดอนจังสันปลายเจ้าขาปเจ้าขาจังใดมัทสีกบโยดองเจ้ขาขาเอาฟังว่าฟังว่าหาบายาดาบฟังสิไปนั่งพีริติมัทซีโอ้ยข้าน้อยเอาแรงลาบมัทซีไปหยอกเจ้าเล่นล่องใจเจ้าบึงมันสิเย็จนจ้านำและเจะาหอนดังไฟข้านองคิดใครได้ไปดอมพีเนี่ยไพ่สนพีคอโมธนา น, าน้ากรอบคุณพนังนองเพื่อนดาผัวไม่นี่กระแถนล่องปั่นรอเปลี่ยงความจะเว่ า, ากระบวนกางต่างแต่หลัง พี่นีน้อยยันจะนองเบาๆว่ า, วาพ่อตายไปยไปใช้คนพ่อให้อยู่เดียวแกมเนื้อพี่เคยเจอมาแล้วแน่เพยิ่งนั่นคิดสว่วนแย้มประตูกอย่างใายกระปลาถิ่มไปนี้การมันมสี่สิไปน้าพี่พี่กระบาวทรงอนุญาตให้เจ้าไปน้าแหลกแต่วา่ามาที่นันกงกรมกระบายพาเจ้าโพสามือดีไปสุขหละไปซั อยู่ก็หลูก็พวจซาโอ้ยเฮ้ยมันบกเคยเหตุนังจักอย่างตั้งจะไงหัวจากผ้าเช้าไ้แอนามันกับบ่อเเววชวนอิตาพามเท่าม่จังเตขอทานบ่ได้การแดงงานขอไปตามบ้านขอพัดขอวีขอชู้ชีไปตามบ้านบ่ได้ขานพามเท่าเที่ยวไปใดเทไรพามกับบ่ว่า บ้านละชตาตาบ้านละหาตำเรื่งเท่ากึ่งชึ่งขอผู้ขอมากขอหอนฉากว่าตั้งแต่าพามเห็นอาตมาก็เป็นคือ สี่ไพ่เพราะว่าฝนร้อนเดออิเป็นเกีียงล่ะผู้ของมึงสินี่บ้านเพราะค้นผ่านยังอำนาจโอวาทํำสีขาดสินเพราะค้นขาดว่าน้ำเตือลละย่อมแม่เอ้ยวันสีได้หังเมื่อก็นังว่าตะเว้นตรงละคือตาพามสู่ ส, สิหังเอือนปลเมีนหน่อยละฝนมตกลิ้นหน่อยมีไหลแต่ลมปันละแต่ชาวเราวิงจะนทสีแต่พัดภาคบ้านเพราะกวอย่านเลยทีเด เฮมันตาเสียงเล่งพระเขาเคตทิมหัน ล, ะล่ะละบัวปันไก่กลมของเพราะว่าทางเล้กกันใหญ่ละกันบรรยายสี่จบลงเพียงหัวคอหรือประเด็นขั้นสีแจงละ่ะยมแม่เอ๋ยขันสีล่าจากเองเพราะว่าเองขาดดามสีบกแหงว่าขาด ส, พสุพระมศุะพุตาสนายุการนับจำเดิมเริ่มตั้งแต่วันอันเป็นที่เสด็จดับคันทะปริบานแห่งองค์สมเด็จพระปชิตมาในรสมาสมุทเจ้าของเรานั้นบัด น, นี้ล่วงไปแล้ว2557ปันาพรรษาปัจจุบันสมัยตรงกระินวันพุทธที่8เดือนตุลาคมพุทธศักราช2557 พระุรมศาสนายุการนับจำเดิมเริ่มตั้งแต่วันอันเป็นที่เสดงดับคันธะปริพันธ์แห่งอ ง, งสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์สมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นมีเจ้ความบันด้ลัสาทุชนพุทธบริษัทจะพึงกกำหนดนับด้วยประการาชนี ข อ, อน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้ฒิมพระภาคเจ้าผู้เป็นบร ม, มครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปริพานาแล้วด้วยเสียงกราบพระองค์นั้นก็กราบครวะคาารูบาอาจารย์ทุกทุกรูปด้วยความเครารพขอโอกาสทางพระครูสมบุญบุญเชิดและก็คณะครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนทุกท่านทุกรูปที่เคารพข อ, ขอโอกาสในการแสดงพระธรรมปฏิเสธก็ข อ, ขอความสุขความเจริญจะมีกระยาิโยมพี่น้องทุกคนสระชนทุกท่านโดยเฉพาะ คณะคุณแม่ชีพามคุณแม่ขาวขาวตั้งเสื้อผ้าแล้วก็ข่าวตั้งหัวด้วยก็ขาวทั้งจิตทั้งใจได้เสียสละเวลานมีข่าวได้เสียสละเวลานมีคุณได้มาร่วมกันบาเพ็ญเรียกว่าเป็นการบาเพ็ญบารมีก็ว่าได้ในช่วงเทศกาลวันประนาออกพรรษาของพระสองที่ได้จำพรรษาส่วนไตรมาสได้ผ่านพ้นมา เป็นวันสุดท้ายในการจําปรรษาก็วันนี้ก็เป็นการทําบุญหลายขั้นตอนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นญาติโยมผู้ที่ได้มาบังสุกุลกับญาติผูจาคไปทําบุญให้ญาติพี่น้องผู้จากไปและอีกส่วนหนึ่งนั้นทางพระอาจารย์พระโกสมุขบุญเชิดท่านก็จัดให้มีการฟังเทศน์ฟังธรรมลำมหาชาติเตื่อเป็นการเสริมเพิ่มเติมบา ร, รมีที่ญาติโยมจะได้ร่วมกันทํา แล้วก็ยมพ่อยมแม่ก็ได้ตั้งจิตตั้งใจเอาเนื้อเยื่อนอเพื่อประกันเสเวลาเท่าเคยฟังมาทุกปีทุกปีวัดเท่าก็ถือว่าเป็นวัดใหญ่ถ่านปราจารย์มหาด็อกเตอร์ชัดชว่างความตังคุบาจานทร์ได้เป็นนักปราชก็ว่าได้กับต้องซาธยายมิส่วนนั้นมากไม่ไกลกองจะได้ก็ตามเถื่อตามที่เท่าได้ต่างจิตต่างใจต่างจิตมาตไกาต่างใจมาตะบาก ตั้งใจม่แต่เหื่อนตั้งใจมาแต่สร้างเขามาสูสถานล้านวาดัดจัดเป็นสถานล้านบนได้มาสมาทานศีลหยึดเอาเป็นที่พึงเป็นที่พึงผ้าอาศัยเป็นที่บังคับคิตใจให้ยเข้าได้เป็นคนปกติเอื่นว่าคนมีศีลอปกติเลวศีลเอื่นว่าปกติกายปกติใจว่าปกติว่าจา่าปกติ ในช่วงคณะหนึ่งในช่วงระยะหนึ่งในช่วงชั่วโมงสองชั่วโมงสมชั่วโมงก็ว่าไปตามการถึงส่วนนี้เป็นส่วนที่มันเป็นปลาอันสมมตมันเป็นบุญจะสันเพราะว่าคนเท่านั้นอโย่ได้กับเพระอาศัยบนเพระมีพระติดเต้องการบนเพราะบนั่นเป็นซื้อของความสุขบนนั่นเป็นสิ่งที่ เ, อ, เ อ, อืออมั่วใความสะดวกให้ของคนเลวทรัพย์ะระสาทที่เปลี่ยนอยู่ดำเนินชีวิตไปดีย่อนว่าบนนำผ้าชีวิตมันขัด ของมองใจมันขาดมันขาดเคิร์นมันขัดของแสดงว่าบุญมันประสงค์ให้จันทร์เท่าท้ำมาไหวเพื่อให้ไม่เป็นสิ่งที่ทรงที่เสริมให้เฮามีชีวิตที่ดีมีการดำเนินชีวิตไปด้วยความะสะดวกสบายบอกขัดบอกของเกินว่าบุญเป็ น, นเอือ้อเอื้อมเมื่อความสะดวกของคนของสัตย์ที่เป็นอยู่บุญวกรรมมังสเตวิพัสติญติาตางหินาปตายะกรรมําแนกข้าศัตรีไปต่างๆ สีดีสีเด่นสีดังสีดีได้ก็เพราะบุญนำผ้าบุญก็คือสิ่งที่เขาเหตุเอาไว้เอื่นว่ากรรมกรรมคือการกระทําของคนทําดีเอื่นว่ากุศลทําบุญเอื่นว่าอกุศลเมื่อทําลงไปแล้วจะเกิดวิบากวิบากคือผลของการกระทําเมื่อเกิดวิบากแล้วคนผู้ทําก็ต้องมาราบเอาเอาไปใส่ไปดําเนินตามกรรมจิตของเหตุเอาไว้คือกับตอนนี้โยมก็ดําเนินตามกรรมของโยม พระกระดานเลื่อนตามกรรมของพระเพื่อ น, นิมนต์มาเถิกับเทศดให้เหตุตามกรรมจะคของติเหต์เอาไว้จะชาิก่อนชาดได้กบับบวโหเกิดมาชาดหนีกับมาเทศเพื่อนกมนต์มาเทศเมฆขาคือกันเกิดมาชาตินีกับมบันขยบนะะันกับพระกนุงขาวยวัด ก, ะ ก, ะกักมผ้ามาคือกันเขียวหมากเีเฮืร์มบเสบบนังโสกันยวัดจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> งวนกับพอกรรมาะแม่นแต่วันนี้คือกรดีเดกรรมบ่ดีก็พูนไปทงให้ทงหน้าหาปูหาป่านไปสั่งกรบ่ดีเอาไว แต่สันจะว่าข้าได้มีโอกาสได้สั่งการดีในี่มันนี่ขอพระลาอนิสงฆ์ในแม่เดิมดให้มันปกปักรักษาข่มข้องไปเกิดชาติได้พบได้กัข้าเดี๋ยวพบพ่อศาสนาได้เป็นพมิ่งได้เป็นมนุษย์สมบัติเป็นพุทธิมีสินมีหิษมีใจไฟในทั้งธรรมอย่าได้ละญา้ เ, เวีนไปทุกภพทุกชาติจนว่าบ่ได้มาเกิดอีกเพื่อละเขาสูมันิพานไปบริเวณไหว่แต่เกิดมาก ก็ถือว่าเป็นพราอันิสงส์กษัตริยสมไปบุญญาบัลมีสั่งสมไปถูกพบถุกชาติชาติหนีได้สมนีชาตินาต่อไปมรรคเสมีนิสัยเก่ามรรคเสนุ่นํามาชาติหนีมาเหตุเกิดดับชาตินีไปมรรคเสนุ่ไปทรงผลอีกชาตินามันก็มีเสือมีคุณงามขุนดีตะกรอนมรรคเสิผ้าเข้าไปเหตุบุญโต่อต่อไปจะสั่นกระคอมอนุโมทนานาำอบายนิทต่อไปกล้มาหันฟังอาหารมาฟังการแสดงธรรม เป็นลูบล uh, uh, um, uh, uh, ักษณะซ้ำธรรมเทรแหลเทศเสียงเป็นเรื่องเป็นเล่าเรื่องพระเวทสันดอนเรีอว่าเทศดมหาชาสสิงบ้านเฮาเรียกว่าวัดเฮานดืเหตุตุกปีบ้านโนนดังเป็นเก่าวันที่เก่ามืออื่นกิดิษยบ้านโน่นดังในไงน่องบ้านน่นดังทังอำเภอเมืองเป็นเอาวันที่เก่าหลังออกวันเสาเมือนึงอาบันินาทีตะมาภาหมาปต้นหอดจ่อปต้นเถิงขอมอบไม้ถวายในทีพระจันทร์ พระไบดีกาไมตรีสุมังคโนดำเดินหน้าที่ของพระนางพุทธดีในการทัศน์สมพรณ์มีสิบ้าพระคาถาสืบต่อไปขอเชิญชิญมวลหมู่มมพุทธประศัตรต่างหลายจงเง่ยงงายโสตาทั้งสองประหนึ่งว่าเป็นภาชนะทองรองรับพระพุทธพจลดรถแห่งพระธรรมเทศนาเด้วยสัจคารอันดีก็มีนาการาบนี้มุงอทิเตกาเรในอดีตการฌานันพรานพระจอมธรรมวิปัสสี บังเกิดมีในโรกาณคราเมืองหนึ่งนั้นมีชื่อว่าพันทุกวดีมีพระราชามีชื่อว่าพันธุมาราชมีสองนาฎราชบทีของบรีเป็นสงา่าชาวเมืองก็ส่งมาซึ่งแก่นจันท์กับสุวรรณดอกไม้ทองของบูชาพันธุมาราช์ว่าไปนาฎสองบทีไปบูชาวิปัสสีพุทธเจ้าคนพี่เล่าปรารถนาะเป็นบรรดาของพระโค คนเล็กตั้งมนโนปรารถนาะขอให้ลายบุพภาเกิดในอุระยะได้สูนครั้นสิ้นมูลปะินิพีก็หนีไปได้นันพรันคนเล็กนั้นเกิดทันศาสนาพระกัสสปะได้ฟังจบพัฒนโมทนาลายลักษณะปรากฏอยู่ชื่ออุรัชตาราชกุมารีส่วนคนพี่ไม่ได้ดีถึงเพียงนั่นเลี่ยงตามชั้นสุดธรรมมาในพระยากงกิศราชเมื่อสิ้นชาติสุดธรรมมา ได้ไปเกิดในชั้นฟ้าเป็นพลันยาของพระอินทร์พระมุนินทรงนามให้เรียกไว้พุทสตีกันระยานีอันสูงศัก์อมารินรักเหมือนในเนตรอยู่ในเขตเดาวบดึงถึงชานานเมื่อพระดังพุทสตีจนจะสิ้นพระชนก็บังเกิดบุพพนิมิตถ้าประการแก่พระยวมานมเหสีพระอินทร์จะให้พุทสตีจุติจากสวรรค์ไปบังเกิด ในเมืองมนุษย์สัตว์โลกก็มีนากาละครั้งนั้นสกุเทวราชอมในการครนั้นสมเร็จองค์อมรินอินทาธิราชผู้เป็นจอมปราดในเมืองแมนแดนสวรรค์นับตั้งแต่พระน้องนางผุสดีเดิ้ลตนขึ้นมาเกิดในเมืองสวรรค์เป็นอัครมเหสีของพระองค์ก็เวลาช้านานอยู่มาด้วยความสุขเอกทิพสั่งครั้นอยู่ต่อมาพระองค์ได้ทรงทรางโบสถ์พระนิ่งกัญริพุทผุสดี ว่าเธอจะต้องจุติลงไปบังเกิดในมุมโนซาโลกครั้นจะเตือนต่อหน้าก็กลัวว่าพระน้องนางจะตกพระทยัยจึงชวนพระน้องนางไปพักยังสวนนันตมโนจายานพระยบาลมก็ประทมในแท่นทิศองค์อมรินอินทาธิราชก็ประทมเคียงข้า ง, งเมื่อพระน้องนางตื่นขึ้นแล้วจนยกเกศอันสมควรมาสนธนากับพระน้องนางเธอว่าพวดชะดีน้องอย่าเผล้ อ, อย่าประมาทนักด้วยความรักที่พี่มีต่อเสน่หาม เดี๋ยวนี้บุญกุศลที่เจ้าสร้างมาหมดแล้วหนาอย่ามัวนั่งเศร้าใจเจ้าจะไกลจากสวรรค์วันนี้แล้วพระนองแก้วมีสิ่งใดที่ประสงค์ขอมาเถิดพี่จะให้ตามจำนองเชิญมาจงออโอดมานี้พี่จะเตือนก็มีหน้าการะข้างนั้นข้าจีพระพิเจ้าผู้เป็นป่านในเมืองแม่นสั่งมาว่าจะไขว่าไปแน่นั้น สั่งมาลืมค้า ม, มันสัญญามีตะกีกรเซียนจอนจัดายตายถิมสีบอไขควาบอตั้งตะกีพระพี่ไทยการยังว่ามั่งมั่งบัดนี้ฟั่งข้าไผหลอกล้มเมขมคองนั่งท่ำดีบอมีพองบองใจจักสิงอย่างสีไฮไลท์ลาป่างนั่งบ่ไปดอกอายสีเพี้ยนสร้างอยู่สวรรค์พีแล้วพระเจ้าพีอยบลายดุงลาวพุทธเอ๋ยตอนนี้บุญกุศลตีเกลี่ยส่างมาน้าป่างน้าพี่เมื่อเตเพียงสำนีสีจําห่างห่างสวรรค์ บุญยาบรารมีของพนองนั่งเมื่อแล้วลงไปสั่งเอามายูย่นั่งกันบ่ใดลงไปไต่ภาคคนตันดอกนองลาผูธ้ธิเอ้ยเอามาย่อมว่าในบุญของพนองนั่งเบิดแล้ววัติพระเจ้าพีเยสแม่นยังน้อบ้านี้ถูกต้องแล้วโอ้ถูกต้องแล้ววตัตถิแม่นพระเจ้าพีเอ้ยขนันยังพระเจ้าพี่เบ้าจังสัน กบ อ, อยากลงไปแล้วความเคยพระเจ้าพีรามเมื่งมาดรสัต์โลกดันมีแต่ความถูกความอยากความลำบากหาอยู่หา ก, กินตัวพระเจ้าพีมันสิยนี่ยลำบากเนี่ยแกไหนก็ว่าบ่เป็ี่ยนเพราบุญของเจ้ามันเมิดแล้วมันอยู่ทึงสวรรค์บ่ได้ลงไปสู่บางคนลงไปสั่งก็มาเองลำบากก็ว่าบ่เป็นแล้วน้องหล่าเอ้ยพระเจ้าพีแม่นยั่งกัญเชยล่องไปไอลีนัน เคพสดนี่ขอของดับของดีจากพระเจ้าพีสิได้บอกพระเจ้าข่าแม่ยังนอของดับของดีของเจ้าบอมันมาเขาว่าจะไดมันมีอันไนน่ของดับของดีอากาสั่นฟังเด้อพระเจ้าพี้องเบาองามงดูพริสประการเว่าของดับของดีที่เจ้าอยากได้ไขปากตานเจ้าบอกฟังบนลงลพสดีเอ้ยบัดกาวถึง พุทธสเดีงเอานาเงาป่าไทายดอกทรงโศกโลกสวรรค์ บ, บ่เที่ยงมันเสียนโค้งวัสูดินนากอนพนานงสี่สินสิวาจีตันใส่จึงดุนไก่ก่อโพ น, นอนนมาโนโสวาอมนา มาจูกรรมน้ำเ ต, ต่าถึงเข้าเข่าเข้าเล่าต้องวางล่างติ่มเป้ากาไปทุ่นทิละเจ้ากันส้ำข้างนางปั้นนมเอื้อนนี่ล่ะพี่นางเอืงเอืองอืยอากว่านางเสี่บหมบอมน่ะ ชีวาจิสังงอนขอพระองค์ประทานพ้นไอ้แกนงูวอนตานสีปกากกันพ่าพ้งแก้วพุทธสตีสีขอพี่กว่าหนึ่งนั้นย้ำไปเกิดในโลกทีมนุษย์โลกโจกโลกฝ้าปะละลุ่นในเรื่องบางนะ ให้พนังได้อยู่อย่างขันนังแทนบาลังท้องผู้ปก ค, ครองทั้งเมืองให้เลื่องลือไก่ไก่ละศินีนังแต่วังไหนได้อยู่กว่าสองคู่ขาดควงคือเกีวแห่งความอ จนรู้ว่าดุดดังนามคือประจัน์วันเพ็ยจะได้เกียนเราเองกระดังคนสมัยนี้ผ่านฐนุสรสีของในพันโดยดังอาสัญญาคือความหวังความปานางยากเด็ปัจจันนดอกดังไม้เพสาะนาละจากสุนตเบืองใสตลอดไฟทั้งขวาจะได้ ม, มัวมนฟังกันซ่องกลางจากกรรมน บันไดดำดำปีสีนดวงยอดบันเขาปอดในนังน้ำแม่ง้มโกปูบาหน่ให้ผู้ชายได้ลองโอดทโทุมเมตาบานกอสีนางนุ่งคันกัดดังเดอมอยู่เดิฟ้าหนา โอ้โพุทธสตีคือเข้าประสงค์เอาได้เอินของพุทธสตีแปลว่าน้ำที่ตุงตองอย่าเลืมนนองปล้างละขึ้นความอนันย์ข้าได้ลูกหน่อยคนใหญ่เป็นใจหมายว่ามีสมพัต์บัตรเมื่อะลิงลาม เช้าลกกาได้มาเพื่องบาลามีลูกมิ่งทษสพิดหลักอิงธรรมกระซากขังเก่ยงแงลือเปลี่ยนดอกสะไกร่หวัวอกนั้นยามกาได้ทรงกาปะขันทอนบุทรตานอนเอาคันยาเด่นนุนยังเอินเป็นคือคนชาวบาล ท่านพุงม้านทว่วงไครพุทธสตีลงไปย่าได้เป็นน้อจังสั่นสวรันฝ่าวาปราทาน่ขอเจ็บนั้นท่านทินบานโลกยันทวีดลมีแต่คนนมยันกระดังทุ่งกาแฟอ่างมาสาหรับนั่งให้เต็มตึงปานจุ่มขวางลันเก็บไปแล้วกะคือกันลังคำมายนัย่ยาพบอพอ่พอผู้ชายหนอ อย่ายอนเสียงอึะความแปดนั้นเกศขาผมปอดดำสวยงามสลวยม้อยล้นล้นละมุนเอาอายอย่าแด้งไปอีกนาชาละมาเกือเข่างอกมาเสมยอย่าได้บอกกันเท้าน้ำเปียบปูนอนะ พี่นางเอ้ยขอเก่าเข่าสุลสนแก่ชลการไกาสังคัญชาวีิวันดังสวรรคันทึงฟ้าขอสิบหน้าปัญญาคาเลมคมสมส่วนลูกจ้กปนสำนวนบังเบาทูปูปูกโซขาปลให้ปลอดภัยงอนา ขอให้ขานี่ละได้ตั้งอยู่ในความสงสารจักกรารเมืองคนในโจมาถูกเรื่องสอบนิติตั้งขอเสวยพระพรชลยใช่นองขอเพียปวดปานี้ให้นองบัดลง ลานาพียนาง จิ้นประสาทให้นะํำพระบ้องแกวแก่กพระนางเองนะและมองเห็นบางนองบงก่อนนะ้ําระเนตรน้องไหลนะ้ำและในพระไทยกาสงมองเอากาสันเกิถึงไทยนอะ ให้ก่อยไปดีตอนละพุทธศดีกันเมียมิงเจ้าผู้กิงก่อนวันทิละห้องกันจากหัวน้และพี่ในปล่อยหัวโกน้ำดอมพระนางสิภาคินเลยนน้และลุงสุดินภาคไตกะลงสั่งมาุละคนนิดหนักแล้วแบนี้อ่านส่งรม่น้อยน้ำ บาลาไมีของน้องมันยังยอมขอให้จอกิงแก้วกระลงส่างดองมังลายนา้ำลาเกิดไปลุ่นยังได้มาพายปางสวรรค์กันน้ำพี่ลยายโสกีกันโศกเศร้ากันใจเจ้าสิบว่าเฮืองอินน้ำ ลามองเห็นฝ่าสนันนันเปียงลนลังละงอมฝนน้ำลาเม่มก็ไหลมาห่มการเมืองมัวควันละกุมหมอละสมกลังผายงดาบลาไก่มกาฝ่าตั้งงลล อ, ล, อลาคนเอยคนลาบบ่จะพานปากเวีนสัง่งจำไม่ากงังกันลาบอ่านสาจันใจดีอกศีรษะดอกมังมุปลปางสวรรค์สิเกินวนุนปบุญส้างตั้งเ ต, ง ต, งตงลังน้ำ ลาพี่เกิดโน้สังนองให้สมดังบาลใยให้น้่งไปมีสุกทุกอย่ามีกันมากกลน้ำ อ, อ, อันบาพอดอกใจเก้วสิประการพิสิส่งน้ำลาโน้นนอนลาเดตนเจ้าได้รับเอาได้นั่งเดอือดน้ำอันบ่ขอนึ่งนั้นยามน้องไปเกินกำเมืองมนุษย์กันงไกลตาล่าให้เกิด น, นำบาช้าพยนตรส่งดกอกุ้งฝาน สีเวลาชาไทยนะเมื่อก่อนดอกชันพ่อขอสองนอพระเนืเนื้อให้งามเรียมเบิเกียมคำบัและจังวตาสองาำไม่ดำล่อนบ่อเลสุบุรุดังปนแปลงเงาอย่าได้มีมองสาวดำละขอที่สามปะโบคิวกันดานุให้กำเก่งโกงเป็นสีโกงงนองให้งามหล่นว่าเลือคนหนึ่งดบ อันว่าขอโน้สีนันให้ได้สื้อพุทธสีขอให้มีน้ำมาก่อนดอกดังเดิมดาวเก้สาสำรับขอที่หางดอบแล้วนางมีกันบุตราขอให้ได้เป็นใชก่อนกอให้ใจแก่้าปราสาสังวาแตังบุญลาอันว่าขอหกนันยามจะมีลูกน้อยจนทองแก่ขันยาตึงเดือนนางดึงดอ และยาเด่นวนคือคนมูปจาเดาตั้งใครอันว่าความเจ็ดนัน้นยามจะมีบุแล้วนะ ลานมของนางอย่าได้ย้อนยาในลาอยาได้ค อ, อนน้ำละคือดังสาวซ้าน้อยให้สมดามมาดังไมายน้าอันว่าขอเป น, นั้นอันว่าเกศสายเส้นในดําดีกันคือเก้าเปียกเก้าอยูนย้ำจะมีแห่งแต่อย่างใดน้ำลาขอเก้านั้นขอให้กายของนางดอกบุ้งใส่เสมอดามยามมาไว้จะลาเตา น, น้ำ ลากายกองทือนั่นคือเกาลัดขาจะได้ที่นองเบาจะมีได้เม็นเสื้อมาให้น้ำอันบวาขอเสียบันขอให้ใจของเจ้ามีเมตตาได้เผยแผ่ด้อดังดิมน้ำละตัวของคนได้ซ้อยแก่ให้สมดามบวดังมายน้ำและมีเมตตาต่อการมุงตื่น แน่มนต่ปากกันเฉย อ, อยู่และมีเมตตาต่อใครได้ปวดหมโหฝุ่งสั่นน้และนี่ได้สิประการที่พานางได้ขอทานเองน้ขอประทานน้ำเจ้าองค์อินท่าพระเจ้าพี่น้ำและสิประการพอดีน้ำพี่ประทานให้แก่นองลงไปห่องน้ มนวลคนนั้นดอกเด่นำผานาอู สามกโกพอเมียงเพราะาพเป็นเหตุให้จึงจำคาจากสธานเปลี่ยนด้วยสมพันธ์คา พุทธสัตย <fifty S 1> <ham basically. S 2> ์ตั้งเตก่อนจึงได้ลาโยกยานไก่เจ้าจากวังอุดข้าขอาพันละนังเกี่ยวเสืมีโกกาบสอยเพราะข้าสวยตั้งเตข้าได้เบิดเสียงคู่สุน อันข้าวสวยนว้านเป็นบุญกรรมความนั้งเตงจึงได้ยังโซดาวเดนเสื้อมานุ่นคุนขวานเน้อ ขวาลาเดือขวาลาสาวสนมพอมบริวารเห็นเหียับสีบขวงแขนไข่คุยลำบามาลี น, นุนนะ ละทั้งอาพรานาผู้ศาสทีน่นังแต่งละทั้งแก่งเคดดาวศิลาเจ้าจากวังยึดะละทั้งโูชนั่งเข้าของกินอันปานีตอันเป็นความทิพวรวนลำม้วนพร้อมกุดตัวนิ้ว ขาจากเลอน้ไปแล้วเตียงปีมุ่งม้านทั้งมีมือนปสาทกว่างที่เคยเรียนยู่สัมบา ย, ย น, บนุปน่ละลทั้งน้ยประตูเฝ้ารักษาการบันเกลือทั้งเวียนใส้ก้อยว่าคาคงดอกกังขงืดน่ะ ละทั a a à, ้งจำปีซอยเวลาสูงทัดเกศและทั้งยอดโซฟาที่เกลียดห้อยกันดิ่งนอ็มมยามอมมตต้องกัดดิ่งท้วงดังมตต้องอิ่งยาวบังพงศาวและสิวฝีฟ้าดอกคำเดิม ถ้าเสียงไปห่วงเมืองคนโลกลุ่มปินพระบุญก็กลมสีไก่้างเม่นหาา้างวังสีไก่ทางเมียนห้างวางังอออ พอดีฝั่งสุนทรอินธาธิราชได้ประสาทพระบพรชัยดังใจหวังก้มดับศาสตร์ด้วยก้าวเศร้าใจจังก่อนจากวังอินธาอะไรอาวรลงสุขันข้อมอ่อนมัทราชได้สิเดือนข้ากอดออกมาสง่าชมสิบปีจะมีคู่ไว้เชยชมมังคุโรมกรุงสนใจในสีพีนพนางพอดีก็ยะได้ความสุขสํมราญใจก็มีนาการะขังนั้นองค์อมรินอินธาธิราชอีกครั้งหนึ่งนับเมื่แต่พระเศีนจากปรางปราศรัติอินธิราชหวัวลำบึงกันหนึ่งหาม โรวจ ด, ดพูพร10บข้ออิสะระจรึงทราบว่าข้อที่5้ายังไม่เต็มพฤษฎีปรารถนาอยากจะมีบุตรบริสุทธิ์มีสินดำลำบานหาเห็นแต่เท้าสันนิทษตโพธยาจงยาตราอัญเชิญเจริญพรในครั้งแรกสันนิษตคิดจะขัดด้วยคําตรัสพระอินทราวาจารวานมีเหตุผลคือการค้าหวังสัมมาสัมปญญาเรีบไคลค า, านิจิตวันจะผ่านลง no, no, no. เมื่อสันนิษตรบว่าจะไปถือกําเนิดในพระคันของมนาสุดพฤษฎีแล้วองค์อเบรินอินทานิีดาม ก็ถล่มเข้าสุปรางประศาสตรของตนบรรทุกคามพลันเป็นชื่อก็จะรู้ความสูขสํารานใจก็มีนาการะงังนั้นนับตั้งแต่องค์อินทาธถิราชได้มาเชืิอเชิญให้จำเริญสรรเสริญก็ลงมางเกิดในพระคันของพระนางพุ้ศรีโยต่อมาได้สิเดือนพระนางพุทศรีก็อยากจะออกไปเช่นชมพระนครยิ่งนักจึงได้เคลื่อนคราดราชรถถึงทาง4ี่แพร่งพระนางเกิดปันปวดในรัฐไทยเสนาทั้งหลายจึงจัดในกอตีมักขาหนทางของบาเนศ พุทธบงองกษัตริย์เมื่ออุบัติจากคันมาหรือเมตตาทั้งสองข้างวางประกอบแล้วทวนวอนพระมารดาวามอามะค่าแต่แม่ทรัพย์มีเนรนักชักเท่าไรจงมอบให้ลูกทําทานพ li ุทธิรือว่าแล้วทําบุญกษัตริย์เมื่ออุบัติจากคันมาหรือเมตตาทั้งสองข้างวางประกอบแล้วทวนวอนพระมารดาวามอามะค่าแต่แม่ทัพย์มีเนรนักชักเท่าไรจงมอบให้ลูกทําทานพุทธิโดยว่าแล้วว่าเป็นบุญจึงยกมูลพันตําลึงให้ถึงมือแล้วตั้งชื่อเวสันดอน โยตามาพระองค์จลเจริญขึ้นได้ศึกษาศิลปะประิยาต่างๆอายุได้สิหกปีพระราชบิดาจึงได้ให้อภิเสธพรรถกับพระนางพู้เสด็และก็มีราชปุตรีบุตราคือกันหานและชาลีพระองค์ก็ตั้งโรงทานขึ้นองค์แห่งแบ่งให้เป็นทานพระผู้บาลดวงดนิลกเลี้ยงยาจกประเจญจรไเมื่อร้รอนประการใดก็มีนาการระฆังนั้นจบในการทศพรนิยนอทะะเอศเปลวสิบพรสิ่งที่ประเสริดเกิดขึ้นเก้นนานั่งแล้ว ตอนนี้ฮกกะซัดเกิดขีเรแล้วคือพญามลลมา ส, สีสนชัยพนังพุทธิดชพระเวชสันดนรมานังมา ส, สีชาลีกันหาเป็นวันแรกกันทะสะพรนปะรัปดาประดอย19พระคาถาจ้บหลวงเพียงแค่นี้ต่อไปเป็นกันที่ซอมคือการหิมะพานไม่ลอยสาพระค่าถาในกันนี้จะเกี่ยวกับเมืองกระลึ่งกระลาดเกิดอุบาตตร่องฝนฝ่าบอทองเที่ยว ในการนี้ขอมอบไม้ให้ท่านพระอาจารย์พระเมริกาเมตีเป็นชาวบ้านชาวเมืองตามะภาพสิ ร, ริมัทีเป็นองค์เปรเวสันดอนต่อไปในการนี้คือการหิมะพานธ์กันที่สองนายาเด อ, อร์ซีว่ากันหิมะพาืซอว่าเมืองนั้นนั่นซีว่าเมืองกระลึ้งกระหลาดเกิดดูบะตองฝนฝ่าบะตองเที่ยวผิกบังแก่งกิ้งขากระเที่ยงหอมเพื่อเขาเหวเขียวลงจําเงาฟ่วงค้นเท่าไต่ไปบะเดาขาดเกิดบะตองฝนฝ่าบะทองเที่ยวกระเลยเห็ดในไฟฝ่ารัษฎร ราบความลําบากยายกในการเป็นโยชน์ชั่นกันเป็นโมลเลาเขอไปเฝ้าต่อพญาเมืองกระลึกลาบ่าเหตุจะได้ฝนฝ่าจะตกถึงต้องตามโมาดูการในตอนนั้นล่ามัวปูหนันาพามนาก็เลยเกาวก็เลยว่าก็เลยวาว่าเหตุจะได้ฝนฝ่ามัจจันติโต๊กพญาเมืองก็ท้องทำเพราชาวเมืองว่าเพชรจะนนเนาะหมดจะเห็นอะไรแน่เพราะเสีสยแก่ไขบานเมืองเข้าได้ ในตอนนั้นล่าโมบูหอนาพามานากเกลือเกาคาปเจ้าเข็ดเทนตนาเข่นสร้างของจอมธรำมหาเวทสร้างนิมิตกาประชาใดเปิงเย็นกรับต้องเป็นสั่งตนสหจารพุทธิสัตว์ขั้นวันเดีสร้างตนนี้ไปไหวบ้านใดเมื่อได้เกิดอัศจรรย์จริงหลังไหลฝนฝ่าห้ามน้าถ้ำน้า ห, าหา่วยบึงบ่าเร่ลำพ้นพล่าบางไม่อุดมด้วยเดชานเมื่อวาพระญญาเมืองท่องสาวบว่ามีสร้างภูบลามีขององค์เพลเพศนนทรเกิดห่วระบาทเข็ดอยากได้เล่แต่งต่างเอาภาพาบูราเฉลียว ไปขอสั่งจากเวศนดนในการหนีข้อบอบภายท่านพระปฏิกาดดำเนินนาทีของชาวเมืองสืบต่อไปอันชาวเมืองสมบทเรื่องเป็นพรมเพศออกจากเขตเมืองกะลึงถึงที่หมายท่านทั้งหลายเดินเป็นกลุ่มกันเรียงลายพอถึงค่ายเขตลงทันสำรัญใจค อ, อ, อยโพธิใจรุ่งเช้าเวลาใหม่คงจะได้นาเคนเป็นแม่นไม้ เข้าไปพักในโรงทานตามสบายพามทั้งหลายต่างสุขใจไม่อาทรก็มีนาการรักทางนานเวทสันดอนี่้กรบอนโลกเชิเครื่องจากเหตุวังในใจสงสารประทับกรอาเคไปแจกทานบริวารเวล้อมพร้อมยิงชัยถึงโรงทานกลางเมืองเหลืองอร่ามมองเหม้มรามทั้ง8ปดคนเป็นชนะอนจึงใสายช้างเข้าใกล้ย่างเร็วไวพวกเตอสอยู่ในพรอมอามจะถามเกรง และแม่ น, ม, นมื่อเจอภาคกัญญาบานใดเมื่อในละพภามเอ้ยก็จะมานุกกันมาก น, าน่าในตาไม่ไมีตุละอีกอย่างหลับพญิพามขอเดชะฝ่าละอองผู้องค์อาจข้าพระบาทมาจากเบืองกะลึงหลวงเกิดฟอนแดงเจ็ดปีปลายจึงร้อนสวง หวังขอดวงนางเขนท์อนโปรดปณีเธอพระเจ้าค้าพระเจ้าคาโอ้ยม่นโมเจ้าอยากได้ยังนาะพญีพามจะิา ก, กันมามากนะแต่ม่นอยากได้ยังลลยพญีพามจุดประสงค์จำนงไ ม, ม้ตั้งชิตมัตตะไกตั้งใจมัตตะบัณฑ์จะเมืองกวังวัดสิมขาขอสร้างจากองค์พงเพลเดสันดอนนี่ละพระพุทธเจ้าคาโอ้หมายก็บอกโมเจ้ า, า ม, จมาหนิตั้งชิดมาตตะไกตั้งใจมัตตะบัณฑ์เมาขอสร้าง แมนมันเป็นจย่างไรมันคือจังอยากได้สร้างมันเป็นอย่างคือจุดประสงค์อยากได้สร้างมันย้อนเหตุอนใรแหละพญ่ภาพมเอ้ยโอ้ยสิบบัญชาห้าบันลือกกาว่าสร้างขององค์พงเพลิดเพลินดอนนี่เป็นสร้างแม่ฝ่าแมฆฝนกันผู้ใด้ได้ขอบเด็กข้องหรือวัตถุไดไปยุบันได้มั่งได้แล้ว ฝนฝ่าชลท่ากัสิโตกถืกต่อมตามระดูการจังสันลระพุจธเจ้าค่ะอันฟังเบาฟั่งหวานในบ้านมันเจียมันแห็งมันแรงแมนก็เลยอยากได้สร้างเฮานี่ไปไวบ้านไปเมืองอยากให้ฝนฝ้ามันต๊กเวทีโดยขน่อยโอ้ยมันอยากได้สร้างมันไายตนไล่โตได้พญิภามเอ้ยมันเจียจะได้โตได้ให้จะใครปางตันเจ้าบอสู้ฟั่งบังชื่อได้บพราะเสือใสมันมีบปากไหนแน่ฮะอัน สร้างบอกพระเจ้าแมนอยากได้โตใดใหญ่เความในใจของพ้เจ้าขนะมันอยากได้โต๊ะใใตบักซือปัจญานาคหน้าเข่นนันแมูุขาโอ้จะได้สร้างพญานาเคเข่นแมน ไ, นไปทั้งไหนฝนตกหงศ์ตกบ่เส้านา้ำถวม่ถวมท ง, งไปทั้งไดฟฝาบ่แหลมเข้ามาแห่งนั้นบ่กมีนอยากได้โตนี้บอกแมนละพุขากระโตนี่โตห้องคียยุ่นเห๋ยวบักส้างเก้านีนแมนัวนี่บอกนี่แล้วโต น, นี้แล้วหค<ข>ียย่นเหล่าอันว่าตอ น, นี้กาลงตีลอันบ้า บอกผู้ไดโล่งเดี๋ยวนี้เอากร บ, บอกผู้ขี่สร้างอ่ะเราโล่งจเอาสร้างนะวะท <มา S 1> ี่เมืมบอกให้ล่งจะไหนทีมาบอกจะคของสร้างโลงมันบอกขอตาเดี๋ยวเหโล่งเห็นอย่างมันจะอนเอาสร้างเว้ยี่อันทีเอาสร้างแล้วโอ้ยคข้ามาอยากได้ก็เพรว่าเดีวแต่ว่ามันต้อ ง, งว่าบงวามันแห่งมันแหลงจะไหนผ้านหน้าเป็นกาเป็นกรขอสร้างกรเว่าไปเสียงมันมวลมว่าวเป็นจังวะเป็นธรรนองคือเขามาล่ำเขาเราคือมาล่ำเขา่าพระหน้าบานมจ้า ไอตัวสั่งเดีวฟังส่นตมันแหล่งแนวด่ายาลองเบาหฟังมยมตัวเอาสงสเดเดียวอันไหมเขามา็ผู้ขานิตีก่อนเหงก่อนแรกไฟังก่อนวดตีเยลองเบางเหงมันแหล่งแนวดบันมุจเจ้าโอสมเกิเหตุเกผลพ่อห้กเจ้าสีไฮจังสั่นเอาจังสั่นฟังเด้อพ่อพระองค์เมิอันว่าพมนาเทา อัญชลีกุมกาพร้อมภาคเพียงเพียงนาโนพญานุษย์มันยังผัวผู้ขาผ้ามานาแมงอสวรรค์มนุขิดใส่เจบบไคเปลี่ย ตุงมีองจอมทานพระผู้บานผู้เป็นเติธาขอจงใจกุศโลเพื่อแกวปาตันเณนดอกแก้วปั้มอุตนาลทีวังคำนามโบกเองเทีงบนทุะพูนมนุวังฟังนิพพานดอกหวานเนื้ ผลของเาอสี่คนเกลือปวดเอือ่เฟือพามแก่เมื่อกลึงฝนเปดตจีดว่าปีตั้งแต่แรงของแห่งขาตม้มเพื่อสาชาติได้คนลมดินไงเป็นปุ๋ยปงการดำลงอาชีวาเปิดเครื่องดอกเข็นแก่น กายเปลี่ยนเดียนไฟใหม่พุ่นนี่ก่อนไตไปไร ล, ลานโลกแปะขอแระกเขาแม่นตาเจียไปบ่ห้จะต้องการทาราลุมดอกคุมเอียงนะเพื่อทหารเกิดยิงละเบียงทัวจักกะวันองค์ประธานเมืองกาลึงเดดวนถึงปูงขางเอง็งนะ ให้มากกว่ายังสางเมื่อทางบ้านจินพระพิโลภลอยลิ้ยนในบ่บกขาดเดือนสัตว์ท่างกระดังเดียวอื้อเหตุดังนั้นจงดังดวงไปขว้างมากกวดวงมนุษย์สดยอดป่าคุณบุญลำเบียบดังวันนี้นาครับเกษตรจงอ้ม ตั้งอาเมะปองเอ้ยใส่ท่านไหลบ่แหงทั้งแห่งหลดบ่มีฤทธสัตว์อยู่ในโลกนี้อาศัยเพ่งเลื้งโสปปอบุท่านท่านปะมุกกาโยสีพิเพนชงสุกีป่าทั้งเหล่านั่งสำเภาเรือเจ้าคำแม่น้ำสาโมดไง แาไทยเนิกกันสิ่งใดงค่อยได้นังแมงเรี่ยงเสาหงจะลื้อเงื้ชาติต่อไปได้เอื้อคุณพ่อพระสัทธาศาสดาของคนกันอยู่บนพื้พนปวดสั์เพื่อนตีเมวาม้นุ่มมานาพาลาปันตัดเกล็ดเป็ดมันนี่ละพังลมอนแมงให้ใส่แจงดอกอกังปด การเจ็บกวไใ้เที่ยวตองในสงสารตัดกระดันความทุกข์ยากคุกคามตามของขอพอท่านย่องให้ปัดใจยคตชฉลาดถึงเออปัสสังโฆพระองค์เจ้า ให้เราทานดอกนาพะ u านโอ ประดับระวังสองช่างสวยดีสวยดีราคานั้นมีสองแส น, สนเครื่องประดับที่อื่อนละสองแก้มเสมรลอยเสมน้อยแก้วมุกดาไม่น้อยไปร้อยประพันธ์คือราคาสั่งวันประดับสองแก้มสิสองเงินแปมเรียกตามฝรั่งเคื่อประดับที่นังงอับสำครับบนหลังมีมอลาเข่าฟังประดับเป็นชั้นยเยระยามผลกันลา บนการสิบันตำลึงสายรันทองตึงบางกับยังไว้ราคานั้นใส่สิแปดเงินตราเงินตราคิดเป็นราคาสองแสนไม่ขาดนุทั้งสองหน่วยนาตปาดามด้วยโมรีโมรีคิดเป็นทองดีได้หาสิบช่งงาทั้งสองที่ตั้งสองโอนตวัวลับ ทาวารมีแก้วประพันเป็นนินทองนากราคานั้นหากสิบหมืนพอดีพอดีส่วนเราคนที่โย่บนหลังช้างราคาก็อย่างเท่ากับคนห่างในควันอยู่กลางตะบ้องกับขีราคาสิบสีส่แสนบาทเงินไทยเงินไทยเครื่องประดามบอกไว้พ่อพรามจงจำ จงจำจงจำจำเอาอมื่อเวลสันโดษฟังสุนโดษแลมแลจีกังบ้ามกลาวเป็นเรื่องราวเลามาน่าสงสารลลม คนไม่ได้ตั้งใจจะทําทา น, นว่างนิพพ า, ชานชนมจึงว่ากลอนบัดเนมนา อยากได้ลีบปัญญภาพตั้งใจได้ปัญญภาพเด้อโดยขนอยเนื้อ น, นันติสานเจ้านำแลาดีพระไทยดอกใส่ซึ่งเกินกำพามน้อบได้นำเสิยโยสางละตอนท่านนำ หวังนิบ้านดังนาอนาคตตาดอกจัดไม่ดวงคาใต้นอพองแผรววอับกันต้านเหลียสีเนื้วันน้ำสาตัวเด้งอย่างโว้นว่าห่าเอนบ ลาอินตาให้ลิงลำลาธิวดานโนตกรรมอยู่ตึ้งฝั่งให้ลำแงงเดิลาี่ประสวดโส่องแจงแงง่องโลกาคาขอวันสนานโบกามตัวนี้ตั้วายนอมเดกรรมตั้งจมใจเจ้าอินตาที่ว่าล้านก็ประกาศให้หู้พระองค์เจ้าได้รับมาฟังเองเดิม ละมือนี้ข้าน้อได้ตั้งทานดอดตัวมงคลในก้อนจนพระมนาบก้าก่อนวอนไหวเดิละฐานโดยใจใสแจงเองดมเทียมพระจันบร์เรียงละเกิดบนรชาตาศนาขอให้ได้พระนิพัานหนิละมโนติยานดวงแก้วอาอันแล้วกุ ณ, ณันประเสริฐขอให้ยยเกิด น, น, น, น้อแก่ขลาให้สมดามบาดังมาเห ด, ดิน้นเดนบ และยาเดงโง่ลงไตกะลงกาดอกโลกล้มให้มิบุนนอก็คุมดอกความเข่าอยู่บ่เศรุ่มมลบัวเดาสั่นคำเมนี่รับบันในมมฟังไขได้สมบังิปานในฐานที่ตั้งอันมั่นความกุศลเดิมลาด้วยการท้าสร้างเกี่ยวให้บารลวไต่ยันกามสงสันกาเสจจนบ่เกี่ยววนมาไกลฐานทำไมข้าวนี้เฮงเดิ และให si ้มีพลดอดโดยดังน้ำเอ็นเชืตั้งปานติดตั้งซึ่งยากได้ไหลตอนมาลังหูน้ำความว่าเลี้ววาเชโจมาหน้าม้าแก้วอยู่ลงยาดมือผ่านน้ำคอยเกอกําจากคูสันวันนี้ตอนนี้นั่งลำนอันเตี้ยบให้หลิงลำกามร้างกุนหางน้ำไม่จำไว้ทุกพระองค์นํำบาดในปงล่องเลี้ว เนื้อใดเอโกตุงธาําละตัวปิมพังนราทั้งสารลาพามานอนนลับกันไปนานาจงเจริญนั่นละเด่นธรามพระโอ้อ อ น, อนามจะสร้าพญภาพเอยบั น, นีดก็บนกับสองเดพญาพเดิมธธรพุทธาจ้าทั้งเป็น พอ่อจะได้สร้างเกลียวไพ่เพื่อกเอกกันสารความจึงได้เก่าตาละะ่ะถ้าไหวล่ะพ่อละใจให้กองจอมทำนอปุติยันกวงนาวาสาทุเดืงเออข้าขว่าที่ท่านต่าม ยีดจิตตั้งไอสมปาฏปาจิตตั้งติตังต้งไม้สมดามดอกนังไม่ขอตอายเพราะในผาภูมิที่ทโจคด้วยเด้ทั้งแ ก, ก้วให้บังในบุญโยตูนิพพานขอให้ท่านคำดังน้มถึงฟังสัพพัญญูเมลวะยังทุลเจ้ากันตรอสไจตั้งพืลืนา สือว่าพูงมางห้สีไหมมาบังเบียร์คอยวินาศสิ้นให้เสียงดอกไปปังอื้อและเมลผัวองเสียต่างความปาแตนอย่างคอยสมความบังกานดังใจปัสวัย คอยพูดยันไทยนํำมานั้นนี่ใครได้เป็นเอกไทยคันหรือลุ่นดองตัวไตนับแต่ไตโลกลมสุมมาโนไปบนละถึงหมู่บนไปฝากคอยลงมานอมาจอมดำปุผูสุ่งเด็ดคอยวิเศษลู่มคันเดือทาล ถ้าลพาวนดอกนาพาคนเอยโออออ่ออ่ออ่อออออ พระรามทั้งเปรคนได้ช้างจากองค์พระนเรศวนแล้วก็เลยขี่ล่อพระนครที่ผีพริจาษอย่างโดนเหลือแต่ก็มีชาวศรีปีมาตันหนทางที่จะกกลับเมื่อถามตังเสือฉันตราและตัวปีนพรามเลยอ่านสันตาให้รู้จารเพื่อกระจัดแปรีที่จะมาควางแล้วจึงกรับเคลื่นถินสบายสวงพระบิรุลล่วงลงสงอากินอาบกินจะกล่าวชาวศรีปีเมื่อมีเหตุพระประเวททานช้างไม่อ้างไขชวนกระเข้าสู่ปรางกุงสนชัยถามพระปุณณไสลูกพระบาทช่างที่ขาดนี่ไกลใจไม่หัวม ธานาเค็นก็ไม่แจ้งชนทั้งมวลควรยังตัวประหารชิมเวชสันดอมกรุงสนใจจิบผาดผ่อนไปไล่นี้ในครั้งนั้นชาวศรีพีก็ยินดีจิบผาดไว้เจราติกับเจ็ดวันเพื่อจะได้ทํำสตามหาทานและบำลาพระราชบิดาและพระเวชสันดรกุมารเขาสู่แดนปลายก็มีนาการะครั้งนานบัดนี้จะเมืองหน้าที่ในการที่3าสืบต่อไปซึ่งเป็นเจ้าความว่ามหาสโตราชาดอนนั้นพระจอมทําเวสันดรได้เอ่ยถาม ราตีแรกได้ทำซึ่งสตามหาทานโคตรสสารทุกสิ่งอันจะฉันมาอันเขเรามาันีกรรมไปไม่ได้ป้องกันไว้ความเมตตา菩 า, าสันกว่าจะทานให้เสร็จหมดเจวันก็หนีไปนิพพานในปรางตนราตีสองลองลองมาเวลาเช้าขึ้นไปเล่าความจริงหนึ่งสมอมบอกมัทสีทรงทราบจะเกี่ยงงอนพอจจจรลารับไม่กลับมาทรับอดมีแม่มัทสีจุงฝั่งไว้พระพีษไซมีเบียนกรรมจำตอนน้องหนีอยู่ในวงนังในหนาน้องมัทสีเพราะบทีปุตราพิลากลาย เมื่อพระเยสันดรได้กล่าวกับพระนางมัทรีทราบแล้วพระองค์ก็นั่งุูชนิยภาพอยู่ก็มีนาการะ้างนั้นเมื่อสมเด็จดังมัท ส, สีสีสง่าฟังวาจาเวสันดรสันทอนสารเพราะว่าจะจากเสเภะไกลนงคานจะตนถามพระศาดาว่าเรื่องใดตั้งแต่ก่อนพี่ไม่เคยพูดเช่นนี้น้องมัทีไม่รู้เรื่องเคืองกังขาใครประมาทดูเหมินหรือนินทาอียกาประชาชนคนอย่างไร ปีพ่งพงเพศเอ๋ยมาคือโวจังสันมหามเมชเมื่อนี้มาคือเสามาคือหมองเรืองอันใด น, น้อพระเจ้าข่าพระเจ้าข่าพระเทแม่บองบกรักเมนเนศจงฟังเหตุพิจาาให้เจ้าฟังอายการนั้นสั่งนักการมาบอกพี่แต่วันวานพี่ได้ทานช่างนาเข็นชาวเมืองเขาแข็งเครืองยกเป็นเลสไปแจ้งเหตุแก่ไปดาคือพระยากรุงสนชัยที่พี่กระทําไปข้าว่าผิดมวลเทียนบานแต่พรราณไม่เคยมีอายการก็ดีกัชาวเมือง ส่งแค้นเครืองให้แก่พี่จึเงเป็นกาลีดังกล่าวมาขับพี่ไปอยู่ป่านามสีเรื่องเล่ามันก็เป็นนิสียหล่ามาสิเอ้คือว่าพี่จะทาท่านสัง่งมงคอตัวประเสริฐชามังเกิดเดินห่อนเครื่องขอนไลผิดใช่ พระเจ้ากงสนชัยเพื่อราบเรื่องพระเจ้าลิลัคขับนีพผีกัมเบียกับานั่งบันหางไก่ไล่บ้านความเป็น่านผีกะบ่อค่อยพ่อหันนอนอยู่ปลางประสาสตรวาสนาพี่น่อยสี่ร้อยดันกะปลาไร้ให้เจ้าอยู่กับปูกับยาเด้นมาซี่เด้อพระเจ้าข้าเฮ้ยสห์หายมาซี่อยู่กับปูกับยาจังใดฮเฮ้าสองคนบาดเดผิดบาดดผ่านกันท่ำซัสซ่างไปนันก็สส่างกูคูบ้านกูเมืองของพงผีพุ่งเผ็เปิดสันดร มันผิดอยู่เปล่จเจ้าข้าเฮ้ยเหตดบุญเท่านนกาก็ดีจังเ<ำ>ดกรรมที่ก็บออยากอยู่จะไม่ผิดแนวนี่ก็ได้คนใดผิดคนเดียวอนไรมาสิตัวอยวู่ก็โปก็ยาวหล่ะมาสิเด้เอเนืน้อ สวาสินีล่ะนั่งมาส่วกันกีเสวเซนละคำจำ่องละวันเสีอกปากตาลละรดตาละเตือนกันพ้องขมละอวกละทุมาทุนไมละเลือใจเดือ อัมตะอัลลอฮ์ใจย็นก็เป็าไปสงนังมาดิโซ卡尔 กะสลดเส้นเราบ่สส้นบาลลางง้อจึงออกปาแต่ละจาต่อพี่ทูนวัวลับน้องงอขอไปขันตำผัวรถพี่แบ่งเบ็นายละน้องบ่หวังเปล่าองไว้ขันหนีไปพ่อยภาคดอกพีเออ ละกสู่คนเดียวอยู่บ่ใดสิตทำใสจสงสนองละกหลามีนั่งอย่าสิมาสูกตั้งแต่นองมันบ่เม็นดอกครองธรรม ว่าไปนำปลาสามีเบาหวาไก่หม้ออยละเขาในดอยควงกะลไปนำกระหม่อมจังเมลละลานเที่ยวไอพีลาเสลาสีทุกเนื้อยหมานอง Dung tamana na n ได้ก็สิตมนต์นำสนก็สิพักขันว่าปาคีอนินตันหนาก็สิตางเจนแผ่นพระเจา้าค่ะโอ้ฟังว่าหาม่อยาดาพอฟังโดยสิบไปรีติมัดสิเจ้าค่ะเมื่อนั้นองประเวตาณนำจาตโต มาทีน้องรักให้อยฟังดอกความวานำะและนางยาวตนเขาในใบสลไปน้ำพี่กรรมเวียมีตั้งแต่อายนำะพระนังน้องให้โยปลางกําเือนำเป็นบอกรมที่เคยสร้างปางหลังแต่ชานก็ละนังเอ้บาปมาการเล่นต้องนำะจึงจำไม่ห่างพระนางเองนำะ ลาบอปาโนกสีแตกมังเพราะเป็นหว่วงปลาังเพียงนลาเตว่าโทษสาหังรพราะิดธรรมตองท่านสั่งนางบอเคยกันเดินดันเองนกันลาบ้าสันดอกแถวปาจีเกิดไว้กางนาปลาดังนองยาสิไปน้ำลามาัดจีเอ้ยการที่เขาปาไม่มันยางยิ่งเสีนสหาหันางเอ้ยบาดตาวันมาจีลาวสดอกสวนลมเองน้ บ่ย่านบ่ันซิบ่ย า, าแล้วเคือสลมาตันนานเคือยานังมากองแกงยาวาบีนี่กันแกงนาอย่างหันบ่บ่เมนเนยวนาลามาตีแม่ยอดแก้วบ่ก็ยังนันดงเพีบบ่พงอใจน้ำยาสิไปน้ำาอนามหันวาใสาสมอลานาะ นางปัยญาเนื่นนอยอ่อนอ่อนลาบก็โนอนดอกป้าไม่สิเป็นไก่อยู่วังดงน้ำลาบาดหนุนลาทางดอกกนค้งนั่งสิอ่อนกันละเมียงน้แสงตะวันลงลาสิบ่มีดอกเงินส้นเจาตามกนโคกไม่น้ลาอยกังไรเป็นวีงวางลาเม่มาสิกิงบางน้ำเจ้าสิเจ็บปวดเนื่อกันไม่หายอย่าเอวอนน้ ลยายนมาเดิมเดิมก่อนผีในดอนมันห้องโอยมาที่เอ้ยลาฟังเสียงดีกังกอยนอยะญาต่ผีกังกอยเห็นมาซีญาติเจ้าขาญาติผียังสนมามญาติเป็นผีโคนละเสียงชานนีมันหายนละลาห้องโอยเสียงชานนีมันหากะวนใจกะห้องหำนะ ลานาหมอห้านอป่าไม่กะล้มต้องอยู่อย่างยืง น, น้ละมาทีเอ้ยนั่งใส่ใสเสนบ่เป็นหว่วงนกอนสีน้ำขอมาทีกองเมึงกะโย่ปางเราต้องกวงเรอคนหลวงเงาพินนเมืองสีพี่นักการเรียมันมีเห็นแล่นต้องนงกองสั่งอยู่สบายน้ำ ลายากะนิ้งน้ำใบแปดไตใสากาตามสังนัง้เอ้ยพี่มีกรรมพ า, ามางแล้วจำไม่ว่า ง, งกันลำลาบุละปู่พี่พี่มันสั่นลำลาบัสุสันนองแยาเกี่ยวนำลาบีดพระพี่คนเดียวนำพี่ขอห้ามน้อเจ้ยยาไว้อย่าไปตอนนำ Me a m a o k Me ลมใจลาลัมาที่นังวัวโต กันหลายปีบ่เคยมีดาบบ่อยแต่ร้อยสมัยแต่ยังได้ละนําเมียนางเอียเพี้ยสีละน้องไหวในหลาดปังเสียก็ดีแล้วละและแนวเป็นเงี้เนี้ยสามเมียขันเป็นพอละเพี้ยสีเท็มขันได้บ่เปล่าเฮานี่เป็นละกูกันละขันพี้เว้าจังสนักขันแกล้งกละกันชังฉันละถือว่าเมียบ่สมกัน ข้า น, นั้นหอล่าสีทางหางล่าเดี๋ยวสีภาลมส่างล่ะหัังมาที่ก็บ้วัน ล, ะละ่าล่ามเบียนังเอ้ยเป็นจังในก็เป็นกันชานะรงังเธอโอฟ่า จ่าเล้วบ่อแซวความล่ะน้องขอตามไปอยู่ว่ำสิ่ไหนป่าวนาสุลละเที่ยวถ่งจวนจักบันใดบ่ห่วงใหญ่สี่คำเล่ะเงินวันเนี่เสีมีสัตดไล่อันตรายขันเต็งพาละตายตามบาดสาลิกาบ่หลับตาขันเจบใดยังไรบ้างก็อยู่บางละหัวและเมี่าวุปน ห้างปรามีเสียงอขันบินเทียงละเกิดการเครื่องขันใจกันเอาจังฝ่าฟันที่ทั้งห้างละ่ะผัวบอทํำเมียบอส่างวางห ง, งันบอทีถ้าละจึงเ้าทัทางาท้งยาขันมาที่เป็นจังสันอย่าฝันผอสิี่ตอตามาละง่าเบีย้ยนังเอ๋ยเ เจ้าก่อนยาวสวามล่ะกรตามสังตกลงสาล่ะยิงอมบุตเดียงขันบุดตาว่าเสียวขันไปด้วยล่ะติ่งเข้าซัยจิตาจข้างกลางไปก็เลวเตล่ะลามีนังเอ๋ คลิปกักขังท่านบังแนดคำมาที่น้องวัว ให้เอาเข้าใส่หัวละทำโบราณเพยังบอกให้หูวมีผัวยังย้ายใจส่องละเสียเงินทองขันต้องว่าเสียผัวเหนี่ใครว่ามาที่น้องจำแน่ละพละดสามีสิลุงเสละนั่งมาที่ก็โบว่าละเฮนังเอ้ยขอจำ ขันตอนเขาป่ารับมาให้นาดองเกลียวห้อยกระดองตีนลาตัวตำเบี้ยตุกตุกซิบปลาเจ้าพี่เป็นคนทํานาแต่ถลําถึงนางก็สั่งตามนองคอยหองล่ะปลาตัวเดียวคันมันตายนะมันก็มินมุดของห่อทั้งสองกระโดดดังลาและพี่มีความป่าบางลลํไปเล่นเพื่อขันครั้ง มาที่ทน้องลับที่ดวงตาไละนาฬิกาเปล่า นอดนองจังสันลายเจ้าขาเอ้ยมาที่นีจัดสินใจเหมือนเรียบลอยแล้วพ่อนสิไปถูกไปยากับปีพุ่งผสิสันดอนจังสันลายเจ้าขาลเจ้าขาจังใจมันที่กระบอยู่ดังเจ้าขาเอาฟ <ใน S 2> ังกอลฟังว่าห่าเบญาดาเอาฟังสิไปยนั้นผิดหิม <โฮ S 1> ัซีโอ้ยข้าน้อยเอาแรงามาสื้อพี่หายอเจ้าเล่ยนล่องใจเจ้าบึงมันสิเย็นจ้านาและเจ้าหอนดังไฟ ขัอนนองคิดใครได้ไปดอมพีเน่ไปสนพีคอมโวธ น, น ะ, ะนํากรอบพกคนพนังนองเพื่อนตาผัวไม่นี่กระเถนลงปั่นรอเป็นนังความจะาเบากระบนลสั่งตั้งแต่หลังพีนีน้อยยันจะนองบาเบาว่าพ่อตายปไาไปใช้คนพ้อให้อยู่เดียวแก่เนื้อพีเคยเจอมาแล้วแน่พอยิ่งนั่นคิดสว่วนแย้มประตูกอย่างหายกับปาถิ่นไปนี กันมันสี่สิบไปน้ำพีพีกับบาวส่งอนุญาตให้เจ้าไปน้ำแหลกเจ่าวาก่อนจิตไปอีดีนั่นก็แห่ไปล่าปูละายาก็ะนองหล่ามันสีดเด้อแอลดานโยมมาถึงตอนนี้เป็นวลาจบในการหิมะพานลอยสามสพระคาถา <c oughs> ต่อไปอย่างข้ติกันที่สมคือการหิมพะอธนาการการท่านการา ส, สองลอยเก่าพระคาถาเก่าทุงตอนทีน ตอนเหนือมาจากองค์เปรียดสันดอนสรงอนุญาตพนางมัซซี่พร้อมตั้งกันชาลีกันหาขื่นไปสู่ปรางประสาสตรของพญามลพมลเสียนชนัยเพื่อสิทธิ์เท่ยต่ออไฮตัมเขาสูเขาคิริวงกตได้การในจำภาพสิ่หันมานับนาทีของพญามลพมลเสนชัยต่อไปในเสาของวันใหม่นั่นเองพญามลพมลเสียนชชัยส่งตอบภานเห็นพนักพนมัซซี่พร้อมตักัหาชาลีสู่ปรางปราศาสตรเพื่อสิมา อัมลาพญามลพิณสั้นโซอ่เขาโซเขากลี้ยงก้นผอมทั้งพระเวสสันดรพญามลพิณสั้นทรงทอบไปใเห็นพุทธสภัยขึ้นมาใส่แล้วก็หัแล้ว่าตองมาอำลาแต่พระองค์ทรงสีอ่าถำทามเบาท้ำทายยอกนั่งมัซี่ใบสะกอนหัวละว่าเขาเสมลาตี่ำทามทับท่านเอาใบกอนอ่าเมื่อพญามลพิสั้นเดืดทรงทอนเห็นมนั่งมันซี่ก็สุปรางประสามพระองค์ก็เลยทรงเอื้กับมันนั่งมาซี่สีสภัยขึ้นว่าวางเลยกับมซี่ มัดซีมัดซีพี่คะอืมพี่คะคุณว่มาทํ า, า, มาทไมเหรอโอ้ยมาที่มากก่ปติมาลาปูนี่แล้วปูมาต่มาบังสกุลฮะปูปูแมนบอกมาลาปูมาลาปูไปใส่ระบาดขจิตไปน้าพี่พระเวศนี่ละบ้าสิไปจันด้อปูบ่ออะไรมาที่ตัวผัวเป็นคนทําผิดไปเกียดอย่างน้าก้นก ปโลตนในเนสาวาว้าเบากรมของเขาเจ้าจะเกี่ยวประเวทพิษคนเดียวจะสบาเกลือกวัวหีบเส้าเว้าจะบามาอยู่น้ำพีเนะาะจาอยู่น้ำปูเนาะสิมาพี่จะได้ปูกับปูในเป็นอย่างเดิมนี่ไหมปูก็ะเบาพิษเนาะปะปูเอ้ยปะปูอปเออเออคืออยู่ซ <c oughs> ื้อว่านนี้เมียนี่อัสามีเป็นใหญ่ตปูถนอมผั่วอยู่ใจใจแป้งไหวจังหนึ่งตาแมนซีโซทอฟ้าโคตรนตยทโรกา ยามคนสั้งบอลเลีวดูเมนบอดีแนวนั้นเมนเจไดกัดสีขันแปะเขา่าผู้เขาตามพระเวทแมนสีมีเ ห, หตุหายตายติ่มเกิดส่วนย่อมหลับปูปูเป็นยังจะบ่อยากอยู่น่อมปูหล่บมาซี่มาที่ย่านเป็นแม่ห้างตบปูบ้สิไปย่านให้ยังแม่ห่างมันบ่ได้ห่างมันบ่ได้ห่างแต่มาซีคนเดียวตัวตระชาตชนทั้งหลายเพี่ยนกันมีแนวห่างห่างบ่ได้ห่างทุกคน แนวเ อ, อ, อือนก็ไม่แนวห่างหลายยางตงหลามันสิโไมีแนวหางหลายยางอยุ่ติ ป, ปูแมนมันห้างยังแนวปูอืมมันก็มีหลายหางแล้วเนาะห้างยังแนวปูปูเสบาวาให้ฟังคมาดีเรต้องไปน้ำพระเวดโออยน้าปูถ้าให้ฟังเบิงซะ ก, ก่อนแลน้วเนาะมันสเป็นแต่ออยูบอจ้าด้ปูเสบาว่าเรื่องห้างให้ฟังว่าเบิ้งปูเมียเขาก็ฟังเสกันมิจฉห้างอืมมันยานแต่ห่างแต่ลูกไผ่คอยก็ได จบเรื่องห่างเหมันฟังปัญหามันมีมูปัญหามันอยู่น้ำปูเบติเอมนามาเตอห่างกับห่างตั้งแต่ไต้ห้า ตั้งแต่หางนกเข่าอยู่หัวนากระย่าง ห่างยังลัพ่อปูละหางกับห้งตั้งแต่โตตั้งแต่บ้านน้องโกน้องโนกัยังหางห่ายังอีกปูละหางกัึ่งพัห้งดอกสะแบงพอบ่สงบ่อแปลงจังก็เป็นแม่หางหางยังยิกปูละหางกัึ่งพัหงดอกกระเดาพ่อบ่เอาจังก็เป็นแม่หางห่างยังิกปูละหางกัึ่งพหงดอกเสตพ่วพ่อพีจังก็เป็นแม่หางห่างยังกปูละหางกัึ่งพัหงดอกบักพาวนอนบ่เป็นเกาจังก็เป็นแม่ห่าง ปูลาหางจะนึงพันหังดอกหมากย้อนพมันว้ายากเจ้าก็เป็นแม่หางอยังอีกปูลาหังจะนึงพันหังบอกอ้อยยอนพมันมาปล่อยเจ้าก็เป็นแม่หางยงอีกปูลาหางจะนึงพันหังดอกดอกกล้วยยอนนํามันเล่นหวยเจ้าก็เป็นแม่หางอยังอีกปูลาหังจะนึงพันหังดอกบกขามย้อนพมันวัวว่ำเจ้าก็เป็นแม่หางอยังอีกปูลาหางจะนึงพันหังดอกพู้ยอนน้เบาบ่หูเจ้าก็เป็นแม่หางยางอีกปูลาเังเจนึงพันหังดอกฝ้ายน้ำ ลาลุมาไก่หอม่วยห่วยมาที่เออยออเลาคนสวยๆคือจังเจ้าบาดว่าเป็นแม่ฮางพัดังลาจังแม่นงามสั่นดอกนาอานามาที่เออยออเออเอัเออเออเอ มัดซี่กับมัดซี่เน่นี่ยพูดกับว่ามัดซี่เที่วหันว่ายังันนะอมันแง่โพดมัดกัได้มันสิบมันบวมเนมัดได้ฟังว่าหันนะว่ายังมันจิบไปทั้งมาผุนเลยโอ้โหกับปูเถ่าปูข้างแง่กับว่าว่าแง่เนี่ยเนาะกัจันเถาก็นีบได้ทีว่าว่าจันจันว่ะจีเอาฟังไม่หันมันบวคักหัน ลาวนหางดอกฟน้ลาลมมาไก่หัวมวยหวมาตีเอลคนสวยๆกือจังเจ้าบ้านว่าเป็นม่หางมานั่งลาจังแม่นงามสั้นดอกนาหนามามาตีนั่น นี่แมีนบอกมีนอยู่ดอกปูมันกะดีปนันตัวเป็นแม่ห้างนะเอามันดีอยู่ตีปูโอ้ยเป็นแม่ห้างมันก็ดีตัวมันสิจะไหนจังวามันดีเอาดีตัวมาที่เจ้ากาศีแต่งโตฟีฟีเสสสะเกดถงนองย่างไปใส่กะข้องแน่แม่ห้างโรบงามน้ำ ล่าใจสะกดผาปามกระดับผมไม่เป็นคื่นเอาให้คน <Works> สะอื่นขน้ำเจ้าเป็นกองสิเปฟ้ฟอนลำวงหรือสิล้ำกองกายามเดินไปเดินมาใส่รองเท้าส้นตึกเมื่อกลางคืนดึกดึกได้เสือเสื้อใส่เดียวมีแต่คนเขาเหลียวว่นนั่งสาวสาวลามาติีเอ๋ยบ่านนกายสิรวยเงินพันถึงเงินแสนเงินเมื่อลาให้หัวปลอดมาเลินก่เฮ็ดหยังสามคนเด้งลำ เป็นแม่ฮ้างกับรจนได้กินปลากินเขา่ามีนิทานกล้าวตั้งแต่ก้าประถมนละล่าตั้งแต่นองหานลมก็นา่าพุทธน่าคนเพื่อนผู้ใดกับคนกันสลากหาพังเองนะล่ายังแต่เหอนแม่ฮ้างเป็นแม่ห้างพอเห็นว่าตมันตายเราจาจับมาไวเน่ยมาที่ น้ำลงลาตพองไปน้ำประเวทอยู่น้ำพีโออยู่น้ำปูเนา ะ, นะปูกับปูในถอเออปูกับปูมาเกอสิเเปิดไปเปิดมาแต่ปูขาดได้อยู่น้ำปูสดถกลาบปูสิไปบังสกุลหายาเมตเณรนะพอปูเออ ที่บุญนี่ต่างมีเมตตาจิตนับว่าเป็นบุญคุณกันด้ยดินฟ้าธรรมนะเทามานังมาทีลาสิบ่เน้อยู่อย่างในวังให้คนหนุ่มป่คยมีปังตูมบวามสิไดงทองมา เขาวายิงสวาสาคนสุ่มนิละแามนาวายังเกลียบบ่ทนไปได้ขั้นผวัวไปเมียเสียวอย่างในวัง บ, บอนแมนีเน้เคยได้ก้มฝันบ่าวังห่างดอกกางนีผัวเมีย น, นี่ต้องน้ำกันทุกบาทยังเอากันแล้วบ่ต้องห่างวังถิมดอกกังกาง บ้านบ่อหางดินบ่อแตกตาลายหากมาที่ก็ตามผัวสัวสิวังตาลายมียันเดือนบ่กไก่น้าเป็นมื่ออะไรเฮือนแสาบ่เป็นอป้า พอปู๋ยป่าบ่ใไนต้อต่างคคบบ่ใไนต้อเล่าต่างเลวเมือนบ่เลยนะไม่กันยังเป็นไม่ป่าภัยบ่เป็นขี่มาทีขอตามปวดสวัดีก็ตามแล้วมันก็จำเป็นแล้วสิขอเลือปัญญ์ปู๋มาสิวบ่ได้ยากเอาว่เลื่อมความอึดน่ะ ท่านหลุงนอนอยู่สวมยานแต่ปูเป็นแมวขั้ น, นเป็นแมวยานแต่เป็นแมววัดกะไรสู้ดอกสีบนหาเบาและมมน่็จำเป็นแล้วสีขอรับพระเจ้าปูมาที่อยู่บ่ได้ยหาเบาว่เลื่อนความอึดนะ ถาเรานอนอยู่สวมย่านแต่ปู้เป็นแมวกันเป็นแมยวย่านแทเป็นแมววัดกะไรส้สีบุญนคนทั้งคูนสี่มหาห่าหให้กางเคลื่อนกลางคำย่านเป็นบาปเป็นกรรมแนวปู่มากลูกสเาะพาย บาปอมากลวงพามึงถอนคำว่าเดี๋ยวนี้บ่ถอนบ่ถอนกระซังเจ้ป่าจูดอกน้ำโปนางเออโยอ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ่ออ เจ้าอันว่าคนได้เขา้าหนมในเก่ากันถ้ามาโรคกาชานมางล้นกันเป็นต้นดอกอมน้ำน้ำล่ำเปื่อนยังว่าล่ำมีแตเสือสางสางก็กะทิ้งมาหิงเตือนมีเงื่อมเล่าล้อมจงอ่างพร้อมบะเิ็ดลายนะ ลาเข้าพนังเดินย่ายไก่ไปบ่สังเกตมีตั้งเสือนอและสั่งกันมันนั่นสิไรเที่ึงน้ำลาบ่เป็นผู้นี่กันแกล้งลวงหลอกสูนิสานำลาผู้ยันเสียห้าชีว่าสิมิง อ, อง๋อนในดาวข้ามเดือดหนาวหอนึ่งน้ำกันกลางดงดอกบุ้งป่าน้ำลากันหาจาริหิวอยากเขาอยู่กลางดาวเย็ดจังใดน้ำลาเนื้ว่ากินมากไหม อ, อ, อ, อได้ตั้งมุอดอาหารนรับระประทานแนวได้จังสิกินตั้นแล้วเนี้ยว่าไก่ปงเสื่อนกันกายาสีนโนในพวกข้อหามไวมาทีโกเจ้าย้าฝืนน้ำและยญาได้เพื่อนแปดตายน้าสุนิสาสไปยปูยูร่มสืบสร้างกันปางกว้างวังนครนน้ำะ เจ้าจะเป็นเดือร้อนนำเรื่องพระสามีไอยากรีสิพะหาไอยากาสิพะว่าลาเธอโบเอลมาฮันโบลาไอยากาเจ้าย mm ังยมนำละมาตีเอิญเอากับปูกกรได้บาปู้นี่อย่างระบาด โอ้ยมาที่ละตั้งใจฟังจะหนีว่าสิว่าหยังบ่าี่หยังยีกีหยังโอ้ยเศ้าเศ้าถ้าปูจะหาเบาหาเบาเากี่หยังเดียวนี่จะไหนจะว่าเอากรบปูก็ได้บัานี้ไปเลยทุกคนว่ากรบปูน่ะล่ะว่าห้าเามหาเบาแล้วมาสีแล้วเบาค่ะคปูบ่เดีว่าเอากรบปูปูบ่อเยูอยู่กับปูอีหามึงยัวเศ้าเศร้าปูจะเบากาฟังทำไมคัได้ไม่หยังเดียวไอ้ปีสางนั่งฟฝ้าในถ่ ฟังไมู่หล่าฟังไม่เอาฟังเบิงัวาปูวายูก็ปูปรเดี๋ยวเอาก็ปูฟังใหมันคักมาว่าปูเอาอยู่ปูเฮ็ดผปูสีน่อมรับปูนี่ลูกกเทยโอ้ลูกผู้มึงวเบลมาตเอ้ยเธอเบามันบ่รับและเบอเบามันบ่รับไอยกาเจ้ายังยนนไผปูเอ้ย เอาอยู่กไเูปกะไรไพเสวะมัเอ๋อ๋เอ๋เอโอ๋เอ๋เอ๋เอ๋เเอ๋เอ๋เอ๋เอเอเอเอเอ๋เอ๋เเอ๋เอ๋เอ มาที่ตอมตานขันลาจัติวอันว่าสามีกูพะเวทบุญคนเก่นะขันพี่เล้ยน้องแงเล้วมาที่นังกับอ๊วยปูจะบังว่าสิใดมาที่ไทยในยุ่น้อมเงี้นะ ขันไปไล่แปงเลม้ยนมาที่นั่งกับบอยูสี่คอยบุปปาหลอดหลอดปาเป่าเป็ดตามไอ้ปีบอนและแสนปาไม่หน่อยไงไฟหนามีสัสากะทิ่งเมื่อยละมังอง์ลิงเตียนแม่นสีมีมาเม่นกัเล่นไรไอ้คว้มตึงสีกินดนตรนพานั่งหน่อยกับบอนแฮม แม่นจะได้อากาเสียังแปเขาในเขาเป็นลที่อยู่ปู่จะวังมาสิไหนมาสิไทยมีอยู่น้ําดอกนาพอปู่มาเออเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวดีวเดวเดียวยุดแม่นหยังเดินอยู่ปู่ยุดสต๊อปอยู่เมาแม่นหยั่งยุดสต๊อปอยู่เมา มาว่าปูเห้ยงหล่ามัซีลำมัสี่ว่าปูแต่หึงลำซี่ว่าปูหมานี่ไปมันว่าบ่ได้ว่าปูหมาจะเถื่อนได้หรอมัซ่ว่าปูเหี้ยงสนาปูจาฮะปูจ่าปูจาปูหมาปูจาห่วย ไม่ใกล้กันแต่ละย่าสาระอ่ะคือกันดอกปูปูจ้าสิดล่าปูจ้าเออแล้วไปเสนอปูฟังเิีปูเขอโทษนั่นล่ละฮูพร้อมเกิดมันกับจังสันโอ้ยลำบากผมไม่เงยเอ้ยลูกใครบ่าถืกแต่ปูฟังเิีเบิดนิฮมนำสซนอใจเจ้าหนา ลาตนปัวปล่อยแถลงแล้วจึงแปลงกลอนลาแสนเชียนอ้อยบัวซาไปน้ลากรุงสนใจก็เลยตานแม่นองกลรนในฟังก่อนจะทูกหน้าหอนน้ำยาได้ทูกหน้าหอ น, นย่ยามบัวถิมต่อไปวางน้ลามาตีเอ้เขา ว, ว่าเป็นแ ม, ม, ม, มน่ใหม่แม่ห้างน้ำวางอำนาจให้เตรียมตัวสนุกหัวสนุกเดินได้เที่ยวเรื่นต่อไปได้เองน้ำ ลำบอามีภัยมาหามบาบังกับหัวใจใช้ได้เก้ามากใครยิ้มใส่สนุกดีมาเตีย้ยการมีผัวการมันโทกกันอย่างน้ำแต่การบ้านลำรักษาเหินกันสั่นไว้ปัดแป่นเลี้ยงลกยูกยุสนุกจังสี่สิดีแท่แม่มาเตีย้ยงลเหตุมันเป็นจังสี่ย่ายดุงไปตามผัวปูนี้กลัวเกลยงเสือสนไกินยยนใหดาว ลาตกถึงข้าวกรรมแล้วพระเวทไปให้นั่งอยู่ให้เจ้าอยู่กาปูเถิดหนอมาทิ้งลำอยู่กาปูนี่ละดีกาสบายหายโศกบ่ต้องเดินข้ามโคข้ามปะข้ามดอนลำและอยู่ในพระนครเถิดหนอลูกหล่าอยู่กาปูกาปญเถิดหนอมาทิ้งับปูเสีควังบุรีสวยปรางปราศาส ว่ามายางเด็ดขาดลูกสบายต้นหัวเจ้าสิไปน้าผัวหรือจะอยู่น้าปูสิไปน้าผัวไม่อยู่น้ำปูจลฬาไม่อยู่ปารมันบอาไทยไม่เคยไม่อยู่ลาขั้นเจ้าโยกแก้วโกเกตประเสศสีพี่ตัวขอนั่งมาที่สิบ่มีขั้นไผ่ตองธนุปนสมสร้างอยู่ในปางดาตุ้มใบน้าลาปูขอห้ามนอหลกดไปอย่าไปโดน ไปปัวเอ้ยนั่นละเดินหนาผ่านนังเอ้อ จังสั่นลูกหล่ะเอ้ยอย่าไปแต่ปูว่ามันลำบากอย่างแขนแสนสหัดย่ำกับปลาลูกหล่ะมันซีอยู่กับปูนี่แหละจะไปเธอลูกหล่ะผิดโถปอวยปูมันซีจะอยู่อย่างไรในลาดเจวังเขาจะชิงชังเยียดยามดูมิ่นเป็นสตรีนั้นสินอำนาจสามีหมดสง่า ลาเสียวมองเนเทอตัวหม่อมฉันนี่เนเหมือนกับคงค่าคนไหนเข้ามาเขาจะลงอาบขอบิดาจงทราบผัวกอกสตรีอันพระสมีเหมือนกับรับานอายกาจงอ่านตึกตรองให้ดี ที่ไม่อยู่ปู่ก็ไม่จำแต่ว่าซองบุญทางานัดดาทาั้งคู่เอาไว้กับปูดเด่เทศนามาเทียวปู่ไม่มีตุระการงานขอสองล้านไม่ชมต่างนาคราเมื่อปู่เกินเมืองฝ้าถึงมรณบ โอสองนาดาวยสือพระวงนักหรือเธอประสงค์อะไรน้ำจงบอกความจริงใจน้ำมาเถิดมาที่ กาณะจาลยไม่ควรจะอยู่บุรีเสียแล้วเจ้าค้าเชื่อว่าบุตรของพยาเวทเมื่ออยู่ในเขตประาทศสีพี เขาจะเกิดอัปรียมันกันกับพ่อจะรีจะขอการณ์จะทำเอากำใส่ปูชาวเมืองจะรู้เขาจะจิ้งจังอะไเจอมะคำ อ, อืนอ่น อนจคตมาคำถึงปรามันก็ไม่หายรถเปียวอายกาอยากเกี่ยวถึงพระนดาขอจงไล่ขาป่าให้มันหมดกลางลด้ นี่นาแม่มัดซีว่าไง <vocal. S 3> ปู่กันหาชาลีนะปู่ขอนะไม่ได้ไม่ได้ปู่ก็จะเอาเพราะว่ากันหาชาลีนั่นเป็นหลานของปู่หลานของปู่ก็ช่างตัวงแเป็นลูกของมัดซีลูกไพรังแม่กูจะไหวห็ไหยังลูกมัดซีมัีกงมัีมัีเป็นลูกไพลูกไกับซังลูกมัดซีหลานปู่ลูกหลา ปูบ่อยอากให้มาซี่ไปดุลลายเป็นปูยาปูยิ่งยาปูยิ่งก็จาเป็นละปูปูยิ่งขคี่ยงบางล่างน่อยแย้มขระดองกระปามันลาบากปูก็เป็นห่วงอีกจะนึ่งปูกะบอสบายยุ่ยจะไปถูกหลักขันไปเนี่ยพัติยุ่ยนะปูเอายากะยั้งยุ่หาเดี๋ยวปูปูยิ่งพูได้เมืองปูปูบ่อยากมาซี่ไปจ๋าลูกอยาอยู่โอ้ยอย่าร้องอย่าร้องดหลอย่าไปทย่นะปูปูบ่อยากอยู่ปูบ่อยากให้มาซี่อยู่นะปู เงาสีไปแลยพระศรีเ บ, บงปูเบงยาปูกันแห่งเถ่ามีกันแห่งแก่โอโอทหารอำ ม, มาตนั่งสนมกมผว่งกั น, นยี่ดอกปูเฮ็ดนิมนาเจ็บปวกเด็บพอยากหายนับ และเจ็บหัวใจอย่าเปลี่ยนมาเอดเด่นนักว่าได้ลงไปสู่ลูกไพยกระบอได้ปั่นเตขี่ไส่เจ้าขอางนำ้ำและเกินขึ้นมาเพราะอยากของให้มันแตกตายดาบ ว่าผมยอมแล้วโลกภัยครับนึ้อยากอ้ายกับเป็นนันป่าหลาตัวนี้มันสั่นลสาลาแผ่นเจ้าบราณน้ำลอย่าพยโยกโลกดวงจันนี้ไปจางโลกนี้กันกูนี่มาไหนไาด้น้ำ และจ้องบางสองโนอนอนอายน้ำและตั้งกาไฝยหลานรักอกสีเพ็อังหาเข้าสนิเมิดเลวและพวดตามใจมาทีเลวน้ำและขอลัวว่าเนเตี่ยวมาทีน้อยปัดหามเด้ม ลาไปสตีพ <g cruise> ี่บ่ว่าโอปูบอกว่าเ้าผพดยไม่ยุ่ทั้งสี่หล่ะจำบ่อยากอยู่ลาไปสตีปูบอกว่าน้ำเหมือนปันหาเนึกอ่บพอนำปูขอเพีมเมีมาทีนหนำเมีมาที่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 พอพ่อองค์อันนี้เป็นเขนของจำใจเจรจาจากพอป่้ยกำ ม, มาปากเล่นตองสนองให้หนักคนโอ้ยจังวัดตีตะมอนลา มาเทนังเสียลจากภาคภูไปมือเน็บบอมีใได้บาดเจนับเต่านี้ห่างเวลใครเซ็ปล่ขันประยู่์น้ำปูขันประยชน์น้าปูกับไปกับพัวมึงสาสาพยายามจะมามังอยงอยู่น้ไามา่ อยู้นะปูปูเจียดยังก็จะไอลูกไอหลานเลยต่อปูแล้วตัวลูกไผ่ไม่ยิ่บอกให้ไล่พระเวทนี้ลูกไผ่กับเสินนี้น้ำ โอ้ยนาบแต่วันเสียงเวียนไกลจากนคอนนี Wizard> ้ความชาลีเด้กกันนะสิสังและโนไปเลี้มันก็จำเป็นแล้วบุญบ่มีสิได้อวมบุญบกาดสิได้รวมกินข้าวดอกอวม ขอฝากอายากาเจ้าพาเนอหลวงต้นปูบุญบ่มีสิได้หัวบุญบ่ขาดสิได้ล้วมกินเข้าดอกวัมพ้า ขอฝากอายกาเจา้าผานลวงตนปูดอยู่นาคอนสืบสร้างแย่าพ่มา ง, ง, งมให้อยู่คงนะให้เสือเสียงดังพงพงในกองเกตสีพิอายกีกาคือเดียวดังพ้นพนังวอน่ะมาที่นึงกาเสียวนตนเขาในเขาเอาคัดยัง ละ้เดือพวดอกต่ า, า, างบ า, า น, น, น, น, น, นาะะบ้างวางประตูอัลวาผู้พัน่ลสนมนังหน้อยใหญ่เล้อสบวยเป็นภาคเคยได้ดอกหนุงสูงขวาลลวงหวัแวแก้วแววมานี้สีสะอาดละปาสสาสันเก่ามาสีเฝ้าอยู่สบาย และทั้งสายกระดิ่งหอยกระดิ่งลุงย้ำเมื่อลมมาต้องกระดิ่งโดองดังมาต้องละติดตึงและกระดิ่งไม้ก่องแขนห้อยลุนหอยมาที่นังกรมกระบายพาเจ้าปู่สามดท ไปสกหลักไปซะไปโยกแลหลูก็กกพัวจสาซะโอ้โยความบุตที่บุตรตาตน ล, ลูกลุนสองน้อยสองกันอาชารีซอยกระทำตามความพิาม ขอคำพระจมเธอองพระเวทกะพร้อมแล้วมาทีแก้วกาดังกันดอกนาพอปวง ไปสศร้ละมันสีจ้าไปเลยวกูขันหามาหาบยาดาบาฟังกัไปซะเมือ่อพระเจ้ากรุงสนชัยได้ขอร้องให้สะพายและหลานอยกับโยบ่ได้จำเป็นต้องปล่อยไ ป, ไป <c oughs> ทั้งที่มีความเ ส, สาโอะไรยจานพระเวสสันดรผอมทั้งพนังมันซี่ฉลีกันหามก็ได้ขี่ราชรถออกจากเมืองบริจาคท่านอยตลอดทางเพราะไปถึงทังสองแยกก็มีผ้ามะขอเอายั่งมาพระเวสสันดรก็ไดว่าท่านนิเกะพร่ำมันไปจานกามีพระเอินมาแปงเป็นละมังทองล่องับแอ๋กละหลากลาชลรสออกไป ญาณมิเทวดามาแปลงกายเป็นผ้มามอขคอเอาลาดเทิลลมังท้องพระเศษสันดรนได้ประทานในแกมลาดเทิดพร้อมละมังท้อนให้แกผ้ามนําไปจากนากระเลยซีกระซัดกระย่างโดยเท่าเป่าม่งนาสูขข่เขากิรีวงกตพ่อมาเท่ น, นี้ถึงตอนนี้ก็เป็นว่าจบในการท่านการไม่สองเลยลอยเกาพระค่าถามจบไป3ามกันต่อไปเป็นการทีซีกันวัณประเวิวันณะคือปลาใหม่ตอนที่พระเศสสันดอนพนังมันซีชาริกันหาเสดเดินนงเดินปลาในื้กันนี่ขอมอบหมายให้ท่านพระ มหาสุพิธตระนาโยดเดินตามกันนิมณฑ์ข้าน้อยเนเธอพเทสุริโยคล บูวลาผ้าฝ่าไม่ล้มพัดต้งดอกไม้กระกินอา ก, กัวดอกินน อ, อมละและเห็นเม่เล่นล้อมที่เลื่อนเลื่อนขั้นกลางหาวละถูกถึงเขาที่เดินไม้ท่นภาคเมียงเซเวียนไหวละ่วนน้องมาที่ไทยกั บ, บุตรตาสองอ้อนขดสาสายนขุนซ้อนดาสายในเมืองมาละ นังผากันเครื่องสุงละวงประเวทแ้มเจ้าบ่หลจากท่านหมดของนายขั้นก็ทอดท่านขันเมิดเกลียงละยังบอกนางบ้าที่ไทยให้เสียมตั๋วอุมโ ล, ลัวกะให้นางอุมผัวน่อยแกลียดขั้นกันหาลาบชวนว่าชาลีพระเบี้ยเปล่งเสียวมามาดีฟุมไฟน้ำจนลท่านละขน้องเนตดหลังให้ลังเอาโอ้ยเลี้ยวขึ้นหลัง God bless you. น้ำตาห่อยว่ายาลุงละมองเห็นป่าศาสลาส่อมทองมานี่ดินละบินนาหลังคืนมองดูน้ำเนต้องันำแก้วละตาเหลี่ยนแหวงกว้างโอยปังท้องบอนเคยน่งละละเหล้วจังหวาตอน้องมาปลโลมหล่าขันเล่าออยละอุดใสเดือนยาสุโปรยโอ้ยเหลียวหลังสี mong p h n g c ầ n những đòi l à เสี่ยงเ่าไก่ตองภาคหางบโอ้ยบุตรตาแก้่ยาสอวยวนล่ะยังยังถอนยาเลี้ยนําขันําหลังลับตาระวังมองตินสิต้อย ต, ตามขันตินต่อห้องละ่ะเื้าว่าเจียวทั้งห้องโลกาฟาขแยงลับโอ้ยบาดปินปินผู้แดงปราถนาขันบ่ได้จึงจําให้กันพาวัง มาที่เอ้ยแต่ก่อนเขาอยู่ยังอของลาชเป็นกษัตริย์ราม เอานี่มาพอยเพัดภากมังเที่ไก่บานลายาเด ม, มัวเมาญาตกันเดินทางยังหยุดย้อนลับน้อยหนึ่งเด้ดเตียงหอนตีลานองที่เปื่อพองลเาเหตเบ้าตอวน้องอ ม, อมอมประล้มบอยลับเ้าเมื่อพอยเวียงวังให้เบ่งกันตนัอน้องละบุญลอมผลาดำมปองคงเดคืนหน้าค้อนลีดเหตุมันเป็นจังสี มาที่หน่อยเฮ้คอยเพียนล่ะ้าน้องคิดใครได้ประสมช่อขมสวงล่ะก็บอกคนขันตํามัวานสีองมาจนปันนี้ละ่ะเพื่อบอกคีรีกว่างบวงประชามันเส้นยากล่ะปะกากเ้าโย่จอยจอยสงสารหน่อยหน้าตาเพ่ง เท้านี่ปินนน่าแรงเบไม่ปุงสีลงแรี้งล่ะได้ยินเสียงเะไรเลยลเออเออกันหากได้ยินเสียงเล่เลยฮะ ก, ก็มาเสียงกันแมงหวางล่ะนกกาวามันห้องเสียงท้องอยู่วอลล์นิ้วมือสาอ่อนมากไปมาที่แท้ กามองมองโอ้ยเด่นสีฟ้าเปดห่องล้มบ้านกันซอยเขาลามปนานอะบ่เอาสาขาส้วปลาเดียวก็เลยง่ายล่ะตัวข้าไก่ไปแล้วเหลียวคืนหลังกะยังมือจมกมลามเห็นแต่ฟ้าหัอหัวมาคว่ำกังทว่วท่าลัง โอ้ยกายไปแล้วเหลียวขึ้นหลังกันยังเมืดอจุมกลมลาเห็นแต่ฟ้าหัวมาความกลมเป็นทารัง้ามองยินเลียนเลียนตันงน้งอล หน้าผาบาดเมฆโคเหลี่ยวหินละบาดปราตูสูงเมิดมงกันทั้งหน้าละลาบากันเดินไปเรื่อยละนำข้องปันของแทงละลอดเดียวเด็ดแหงาเผาขุนแหงแหลงขุนแหงลาสิปินา กันต่อไปลาบสองวนน้อยวนเอวเอาพาลานั้งกันหาเหิวนมเอวจินกันยังจู่นละน้าอีโดสองน้อยล้วเลวันเอวเมาลาบหุวนฟังเฟคลาเลมมากกว่ากะเละเลอกะเอวอาน้าข้าวครั้งนั้นเทพต้องจอยนอมยอดขั้นบันดลาล มาที่เก็บคันเอาคนหลับประทันขันยังปอหลับทำแรงน้อนในดาวลมหนาวก็บอกลาเอาหัวหนุต้นไม้ยุ้งเห็นกับเล่าตอมลาเพื่อเด็กมานำบอกย่อยลุงเซ็คันใบตองลาสองคุมานนวลลาบมาพ่อยิงกันทั้งทางลาได้ยินเสียงสร้างคนข้างอยู่กลางป่าลอ ลาชาปลาเวเจ้าบามิยอนดังซิงไดอาละปละโอ้ยปละเมียเทพปตันไทยมาเปียถาอง์กระสาละ เจ้าป่วยไปสั่งกะบอมีมากไกลละปลาอุทัยเสียงขึ้นอรุนโนปินเมื่อไม่ละปลาอาทิตย์ด้วยฝนขอบฝ่ามาแล้วจังคอยเดินละะหากันขึนโคกเยินละแต่ชนละท่าถึงแม่น้ำโกตีมาละหลดบ่เมีทั้งหอละถึงนาคอนกุ้งกว่างมังหลวงเจตลาละเป็นปลายั ตั้งแต่เก็บลาวงเจาะกาขันเนีววนล่ะวางให้กำเตาหย่อนพื้นขอบสีบีล่ะละเอีดเมียคำจ๋าว่าสิเครน้องคันไปแล้วตั้งแต่มันได้แก่บูตสตีได้น้อมเนีวล่ะประบิดาบริยวรัมมีเต้คำสังสาม่อสิคำเกล้า วันเยอหมานันละน่าห่าละท่านอยู่น่นอัโจวันพายเมียย จบไปสี่กันนอยายเนาะกันทัพสพอดเฮิวพานธนกันวัลลปรเทต่อไปกับอย่างขติกันทีหาคือกันชูชกเจ็ดกพะคาทาอัตมาภาพสิมิรับนาทีเป็นพเลเมย์พามชูชกดังน้อย กินพระมนตยังมีไอเท่าโกโรโกโซพีทะเลแก่กันเกะไอปากหรือก็เบียวบุญพุงก็พุยพ กินไม่จุรอกทันเออมือละเจ็ดโมเจ็ดโมเอ <c oughs> เอ่อตียโมตอมือตินต้นโอข้าคือเท่าชาราพี่ชื่อว่าชูชก ตัวสั่นเงินงอกยาจกเก็นใจน้ำเที่ยวเรรอนละจอนจันไปทุกวัดทุกทีเงินทองไม่มีเลี้ยงชีวิตไม่ไหวพ่อแม่นั้นนาท่านก็มาตายจากพี่น้องกอดจนยากเลี้ยงปากท้องไม่ได้ ขอทานไปทั่วตั้งแต่ตัวเล็กๆข้อมาตั้งแต่เด็กจนถึงเดินไมไว้ที่ในมีงานเขาผวกพันดัิมาผมต้องถือกลาเอาที่ใบใหญ่ๆนั่งต้องปากประตูชูกลาขึ้นคอ ผมต้องหากลาเอาที่ใบใหญ่ๆนั่งตรงปากประตูชูกะลาขึ้นคอทำเมืงอมงเ อ, อกเมืองอปเดียวก็ขอได้วันนี้ฉันเดินทางมาตั้งแต่บ้านบ้านยังละโยมเดินทางมาตั้งแต่บ้านน้องยอด ซื้อบ้านเพตะมวลพะโลฉันละเที่ยวคอเที่ยวขอดมาตามทางน้ได้ยินว่าวัดสากำแพงใหญ่ท่านมีงานฟังเทศฟังธรงธรมลำประเวทสันโดนผมต้องเดินทางมาขอทานผ่านมาถึงที่นี้ เห็นพ่อแม่น้องพี่มาที่นี่มากลายเห็นเขานั่งฟังธรรมผมจำจะขอทานละใครมีข้าวสุกขา้าวซานเอาสิบล้อมาใส่จะให้กล้วยก็เอาอีกหมพาพเผาก็ชอบขนมเคี้ยวกรอบๆแฮมเบอร์เกอร์ก็ยังได้ถ้าไม่ให้ข้าวของเงินทองกอดี บอกจริงๆน้องพี่ตอนนี้ไม่มีเงินใช้ยยมแม่ข้าวจ้าโยมแม่ข้าวถ้าใครให้แบ่งพันฉันก็มีต่างทอนแต่แบ่งเกะช้าก่อนพอมันใช้ไม่ได้ไดยมจ้าโยมถ้าใครให้เงินชูชกขออย่าให้ตกยาก ให้ร่ำรวยมากๆให้เป็นเศรษฐีใหญ่เป็นเศรษฐีมีทรัพย์นับเป็นพันพันพันล้านมีตารสทั้งบานบริวารรับใช้แต่ถ้าใครขี่นี้วคอให้กินก๋วยเตี๋ยวติดคอถ้ากินกระทอนห่อขอให้อุดลำไส้ โยมแม่ข้าวถ้าใส่แบงสาวขอให้เป็นสาวดังเดิมแต่ถ้าใครไม่ให้ก็เริ่มจะแก่ลงทุกทีโยมจะโย ม, มโยมแม่ข้าวขอก่อขาวผมก่อข้าวแต่ทาไมคอเลือง แสดงว่าใส่ทองโอ้ยมาบนันทึขันจักเราภาคพื้นก็เกิดติตาพามชมบ่งงามหุบห่างหายครั้งหัวรานเถิกเถยดเถิกเถิมันบ่เคยเห็นดังจากอย่างตั้งจตไงหูบจากภาคชา้าไทยนามันกับเบ า, บาชวนอิตาพามเทามิตงแต่ขอทาน บอดีการแดงงานขอไปตามวาดขอพัดขอวีขอชู้ชีไปตามบ้านบอดีขานพรามเท่าเที่ยวไปใดทใดผ่านกับบาัวาบ้านละชีกาตาบ้านละหาจํเรื่องเท่ากึ่งชึ่งขอผู้ขอมากขอหอนฉากว่าตั้งแต่พามเห็นอัตมาก็เป็นคือพามจุแน่ชุวมไม่ออกผูพญางอุมลูกออมร้านคือบ่หันมาพีเนลายายน อไปบังชะกุลแล้วก็มาหาพามชูชกโอ้เมื่อนี้เดินทางมาแต่บ้านน้องยอดออลอดออลอ ด, ออดมาตามทางรถไฟไทยในไทยในมาตามทานลาอยางลงมาแล้วกันย่างเข้ามาในาลาเห็นพอออกไม่ออกคุูปัญชัยชูเขานางฟังเทศฟังธรรมกะดีใจบักไงพวกขาก็เลยชีขอเงินขอทองขอนะเาเมทา ข้อน้ำโพเทาใสเสือสีขาวขาวขอแนจักสาวชุ่มโพสาวขอแนจักลอยชุ่มเด็กหน่อยขอแนจักพันโอ้ยผู้ชายชินเชื้อไร้ไร้ขอแน่จักสามพันชุมเธอใสสีเสือสีคือกันก็ขอแนจักสองลอยชุมเด็กหน่อยบอกมีให้ไปขอน้าพอน้าแม่มาให้พามโชยโชกชาทุบแม่งยัยใช้จักบาดลายใหญ่โอ้ยสบโอทอนสิบ ใช้เาวัตถะทอนสิบก็เป็นสิบบาทสาติเด้อเงินเจ้าท่านแม่นข้างนี้ให้กำขึ้นคือเก่าเดายาเด้อจากเป็นคนปวดเท่าให้ง่คงดังเดิมเดายาเด้อให้มีอายุมีวันนาชุกขาพละมีอายุญมันพันปียาเดาขาดเดายาเด้อปีนี้อายุเท่านี้ปีนาให้หลายกว่าเก่าเดายาเด้อสาติถูกแขงกับยาเจ็บขากับยาปวดเดายาเด้อ โลกมาลองจองเกงพร้อมแห่งหเราเชาโลกเจ็บหัวเจ็บทองจะมาของเกี่ยวไก่โลกอิโลบาโมนันจะมาของเกี่ยวพ่านโด้ใหญ่เด้อเกี่ยวหมางแงมได้ให้แฉบแงมนั้นพุทธเาเกี่ยวหมางแฉบแสดงว่ามีแหง <c oughs> โอ้ยมาบนันีอัตรมาภาพขอเงินใดมียุชีกหาปณะหรือใ ด, ดชีลอย ทีเนื้อเทีตโตไปขออยู่ขอกินคือเอาคือหลังงานเดือนห่อยมันงานยิ่งชิงเอายายเออจั๊กจี้บาจังดจเมนูุกเจเมนยากลาบากนั่งกันอยู่กันเศร้าเบิดนีนาเอาลเทียนนกันนา วังวาจานตเตตโนยมนนก่อเลียนเจิญบวงบีนองนำ刹那ท่องเรื่องอนี้ท่านนำละมพบนิจันติได้นอก้าวตานถึงกำเดตาชุโชคลาสศกกระโกลุงลังกีเลาลกายสาวนำเป็นนิล้มโูมเป่าม็นกุิดาโสกโคงโลกินกาเกลนมาหอม่าว่าปเดียวนา แม่เยอยปากกะเป็นเบียวเบี้ยวดังก็เหัวเฮลัมตากะเลื่อนหัวกะกางกระดูกลังเนืำจากมันกำยังนางเดิลาเป็นมาพันเตเกิดกำเดินมาเดือดหอนเรื่องขอนเบ้าตระกนลัมลาเมืบรรนี้ฉันที่เราแตะพุ่นละก้ามืออยู่ในกั้นเดิลาแม่มันฝันลนาหน้าปลาจอดใจนอชวนบังเดิม แม่ใหญ่เอ้ยฝัน่ากินมากว่าเมื่อเช่บงจนบุงใครลาลามเด็ไอ้ตั้งสามสามีเลื่องดอกปาหนันก็บอพอนเดิมลาลามเลือนง่ว34หมอยอสดเกินหมดแปนเดมตือนขึ้นมาก็เลยหิวกยนอยากกินบ่ม่เล้วเนี่ยวบ้านมีทองเดิมเห็นอะไรใดแต่อยากน้ำละไรอยากแต่ก้อยดอกซอยใส่ใสบางนานเดแม่ใหญ่เอ้ยแม่มันแสนปวดล ต้นถูกท้อละกัมเป็นน้ำเนว้อสุรกายเปรตผายจนในทองน้ำป่าของตนสิตไตมียนสิบเดือนจวนสิคอนแม่มันเจีมปวดท้องเจ็ดมือแต่ห้วยหุนดอบแม่ใหญ่เอ้ยพ่ามันมอมออกคนแม่เลยขาดใจตายแม่ใหญ่เอ้ยเกิดเป็นใจบะคือเขาพอ่อเอาไปเลี้ยงเองน้ ลามพ่กไก่เคียงบ่หานต้องจั บ, บายอุ้มกอดหอนบ่อเก้าเข้าไก่ไผ่พ่อกระไม้เมิญแม่งเนยเอ้ยไผแมนไผก็ไดเอินว่ามนุษย์อภิเษเป็นลักะลีอาปลารักบาปกรรมในน้ำต้องพ่อมันป้อนปุลเลียงล่ามพ่อมันป้องปุลเลียงก้าเดียวกระไตาจากหากมาูญยาเท่าอเอามาเลียงว่าต่อไปนะั้ เมียใหญ่เอ้ยโยต่อมาปูญาใดไว้ชีพสังขารลำตาจะเลยสงสารแล้วเอาดอกไปเลี้ยงเองน้ละเพียงว่าพอา่อข้าวใดตายายกะ้าโมดมอนหอนบลุงแม่ป่าน้ผวม่เลี้ยงว่าตอมันเองน้ำเทั้งเอาอาหมู น, นันเคื่อยาสนุเห็เข้าเสียชีวิตจากมันไปเกี่ยงเองน้ แม่ใหญ่เอ้ยผู้ได้เอาไปเลี้ยงก็เบี่ยงกันตายแก็บปากตัวเสียา น, น, นาพนนี่น้องดยผนเราบ้าเปล่าพันเองหนาละนาบตั้งแต่มื้อนั้นมันก็เ่าจอนจ่าัดไปอาศัยอยู่ในวัดมัวประสงค์ก็ต้องวนตานพ ะ, ะ, ะนนก็เลยให้เนามันนี่ไปบ่อเลี้ยงตอก็แต่ความเดือนห้อนประสงค์ห้อนบ่ถื อ, อกันแม่ใหญ่เยหนา และมันก็เลยดนดันออกเที่ยวหาคอหนำะลอไปตามข้ามีกำใสกก็นอนหันเลย อขอคันเอาพาทั้งเงินแตงเงนตองเอาเบี้ยบานขอท่านเตือนี้ก็มีขึ้นบามากลายนําเราไว้กาไก่เป็นเท่าสั่งกันเล้วก็เลี้ยอนขอหลังกะคนแอวกับหองนําดอกท่งหลา ก, กว่าแต่หลังนําหลัเงินก็ญาติใส่บังหอยกับสาอาดไพ่แม่ใหญ่เอ้ยทั้งไ ป, ไปไปไปมาขึ้นจะหาบอนเก็บเมียันลบหลังเงนอนกับบอดีซาด้วยถึงเก้าวซุ้ย โยนเสีแงยเงี้ไปฝากเสียวไอ้น้ำลักซาให้่าบึงดูน้ำละกเสี้ยวก็เลยบ่หูหาสาเหตุหายอย่าน่แม่เงี้ยเอ้ยนําแต่มันหนีปาห่างไกลไรดวงนําห่งตั้งพวงกระหม่อมเศร้าสูญเสียดอกปีพ่นเกิดตัวจนมันเศร้าเอาเงินเท่าไปใจเกลินลําจนว่าเหมือตลอดสิ้นหอยกระสานเงินพามมันมาทำเอาเกินโลดเมื่อยเหมือนยืนเสืงนํา ลาคากลาเด้อข้าวหนี้บะมีหยังสีแทนตอมอาวให้แกเทาลนความเบาหลดบมีนลาคากใจแล้วบาดนี้กนแกได้มีภาษาหนลาเฝ้าหืนไม่หากตรวจตองมองมัวนำลาว่าเอาแขนนั่งน้อยดอกมีเบ่งบ่ได้แต่งเงี้ยเสบามตรวหน่อยบ่ก็ยั่ง่านังน้นนำลาจัง่าเกี่ยวกรรก่อนนั่งนานไมีตาตานา คีดเงินคบิดาจังก oh, ่อยมาบ่ข ah, ินได้หนำลานังก็โสกีให้หนำเหลือใจดีบ่เคยข่านวาสนาน้อผูกขาดสั่งมาต่อยว่าตัมเดลล้ำละขีดอยากกินแข็งหอนอ่อนซัอนด้สังกินแจ้วคิดจะกินลามกอยปั้มาพอเจ้ากับปูวหนำเสียดายด้ย้อนสูบผูกหักสนิหาเงี้ยมือสิ้สตาบ่สว่างจียงได้บังเมียงนำ บนภูเบกงสางน้ำดอมบ่เตาแก่น้ำและคณบ่แม่จะต้องใส่ชิงช้ามาเองน้ำวาย่ดอมนั่นละเด่นน้ำผอ้แฟน โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ ยอมมาถึงตอนนี้เป็นวันได้กันฉุดขอเงินบ้านนั่นบ้านนี่จะมีเงืนขึ้นมากไมา้ายก่กองจนบารายสีกรหาปหนากึศีลอยกระเลื่สามารถที่เก็บเอาไว้หยาดโยนมาญยาดยิยงชิงเอาก็ะเลื่อดเห็นเสียวมาฝากนั่นเสียวไหวไร่ฝ่าลาปีพันปลายสายก็เลย่อนําเอาเงินส่วนนั่นไปใส่จนนเมิดเมื่อพามกลับเราเตาขึ้นม้าขอหาเงินใส่บาร า, ายยกหยกหลุดเสาไฮเป็นปลาเจตเท่นขาเมื่อเ อ, อ้ยผลทุ่ยถ่ายมีตาก็เลืได้เป็นเมียของอาพามช่วยชคไปในเทืเอหนั่นก็เลย เป็นวาร์ในการนี้ก็จบลงในพ่อระยะเวลาการนยายนอเพราะว่าขเสยย้ายขยายไปมากไม่แก่กอบกับเวลาเวลาคลืนเนื่นชาจนเจอะมอคำขมาเป็นจบในการสวดศพต่อไปเป็นกันจนเรพ้นอัตมาภาปัสสตออีกกันโซโซเจ็าพระค่าธรรได้กันจนลราพ้น35มาพระค่าธรรมอัตมาสีวาร์กันมหาพลให้มหาเปิญวาต่อไปด้วยการพระปฏิการแม่ติกันแล้วแต่ความมาสมต่อไปฟั่งกัน จุเพ้นเกกันหนึ่งนะยายน้องอดีตนโพ่อสรบดอบบางคนนำแล้วนำมาภากระแสเสียงเป็นสาเนียงสำนวนภาคอีสานเสียงเลียงนบ ลาจานดงเปีประบังเพิ่มโดยบิมบาปัญญาเอกลาสันเสคันเลืออาเฟลมาเลนว่เ si อ้เสียงน้าลาบานิฟังต่อเนื่องมหาชันทกันท ok ี่หอกจนลาพูนที่โยโยกเทศนาจ้าสอันน์นมียใหญ่เอ้ยกล่าวถึงตอนบั้มเขาพานาเขาดอดันป้าธามมะเบือนบ้านสาตาหนองบ่ต้องเทืองน้า ลายไปหอดเบืองเมืองกวางสีพิษนั ก, การเล่นถามถึงบนพระเวียนยังนำผานั่งไม่และว่างใดน้ำถื่อก่อนดินก่อนไม่เก้าวฟ้า น, นำพระสงสารพัวขอาท่านดาวโจ๊กล ะ, ะ, ะหกสะทานดินบ้านนำ เขาลำกันสิลมขาดน้ำเขาลำกันสิลมขาพามานะกาใจตั้งกาสัวขังเล่นรวดาเที่ยวไม่เดาบ่นไปน้แม่ใหญ่เอ้ยแกก็มาคิดได้ไผมาคันละเป็นโยมดเดินตั้งใกล้หมาะสมบันเป็โยมเจ้าบ้านหมอแก่การเดาต้องผ่านนาำช่อปาขาวดาเที่ยวทองพวงเป็ดไผบ่ต้องดากลงผ่า่าดังเสียงด ละคิดแต่เพียงท่อนี้กะถือเพจ ช, ชีพามเจียวหาตามคนทั้งบอสิไปในดาวฟ้าละเขานันสมใจเท่าถามเขากะบอกที่เป็นประกรรเนาะเก้ากี่กันซองลาดอกจองจวงนำละจังเป็นสมมาตรมุงดันดงไปบานอมถึงกะหอมบในไอบานเคศตาหนุ่งงามนำเยตตาพามประหนหัวว่าสตุสูศลาดานมาในบ้านหัวหอม พรมกลมดอกสันสายดาแม่ใหญ่เอ้ยหมากมีเตโตหายหเต้นใส่พอผานเสื้อดำหัวใจเพียเหมือนวังดังสเป็นลมต้องหมากะแซวแหองดำหมากะแซวแวห้องหอยหวนดองห่มเฮา มากระแซว์ซว์หองห้วยหวยดอกห่มเฮาตาพัมเธอไม่เท่าดอกวีนาว่าแกงลางน้ำลามว่าไม่ฟังเสียงหัวหมาไหลโตเต้นยองเท่าพัมหองว่าห้วยห่วยน้ำชวยแย่แน่ละกูห้วยห่วยห่วยหวยมาบากดำคาบสนน้องกี่แดงจ่องตุงไล่พามยานตายเต้นหอยขึ้นต้นน้อยนั่นกัคนขึ้นต้นสนนั่นก็หาักเลยปีนขึ้นต้นกอกไม่เท่าตอกหัวหมาชี ตายบ่เชตายบ่มาไ้ใช้ห่ะเหมาบนน้องมาเบอเชเช มันขามายไอมาหลายตัวมาเยอะอเเด้อเเด้อเขาแม่ตายแต่มาชมนี้เอาไปหืมเอาบปเอานนี่จังบ้ามเท่าดํบการล่นลามดอกยานสั้นเกินไปนังสาบันได้้านใบบ้าจมมคุณนเอื้งด แม่ใหญ่เอ้ยพรเวทเนาโยบุลำปรากนแผ่ไปสันแหนดิ้อเพิกตาจันมาถึงในเบิ่งโบติยานเจมข้าหน่อยเป็นคนเท่าส้มควันตายย้อนไข่ปลาตายยนมายาให้พ่อดอกกอดตอนในบ้านค้าเดั य, เกตตาบทหลวงใหญ่มาหอนทีเดินเสียงนำจึงว้เปียงเทียมยิ่งกองธนูตองเปงเอ็และเลงสีงบ้ามเตาไม่เอาให้มวนม้อนเบาเตาพามกอดง่าไม่นำเอาอกเหนียบใส่เจ้าน้ำหสิตายกักแผลต้องลองหลอกมั่กลัวน้ำต้องใส่หัวปัญญาคมเนื้สมจริงแจงน้ำออกดำแดงเลยหัวกอยสี่ยฟเหินคบ ต้องตา ว, วาดว่าเฮ้เยเฮยดอกเสาวเวยยาสิยิ่งน่ะหยุดยุดเด้อหยุดหนึ่งหนึ่งหยุดก่อนบักตาขาว น, นาว้ำฟังเล่อเล่าสากก่อนแม่ยาเสน่ห์มาพี่เบิง้งให้ดีบักตาบ้าเองน่ะกูเป็นไผ่มึงหูโบกูนี่นอเป็นตัวไท่ไปยะาทานดังบ้านเมืองน่ ลักฐานมึงบอหูเลืองเจ็ดโซโคต้องชิปหายดำสู้ต้องตายเมื่อสุมโทษประหารอย่างยิ่งเป้าคนจังกูแมนกายดาวน์แต่จินใจกะกาแก่นเหมือนประเดนเคีนแคว้นบุหันกาแกแมนกูดาและมึงอยู่ป่าหยังสิงห์กูสิบอกเอาบุญจงจอมคนบาสันดอนจากนกดนล่า ไผ่กระแซวแซวเอเ็น อ, อยากตวนเชิญให้กบาบเต้ากูนิลาสิไปเชิญตอนเท้าให้เกินเข่าสซนคอนเลี้ยงดำกูจะได้ลิ้มลนน้ำลานสันตาตามบัญชาปาสันชัยสิดว่วนไปเร็วหอนดำและมึงอย่าวนหาเรื่องมึงเอาซาบักตาเต็กบังปลาแดงโจกงัดอ่างสู้ให้ดอกยันกวนัวดำ ลาพัานได้ฟังตลอดตัวจนตัวสันงันงอกตัวออกลุมพังตาจูจ่จกัสันสายดอกไล่บามขออภัยตาทานลานคนดงโบหูหอมย้อมผูกหมามัดใบน้แล้วหาไม่ว่ากไใกลเกินน้ำขึ้นไปข้าลาวเอินเชิญมานังปาาา้าใส่น้าขออภัยที่ลานเพียจงพวดไปเดีก้าวนีบาในาที่กเล ย, ย้าเ อ, เ อ, เอ และมึงมีกรรมประมาททานกาบบังสันจังส่สินตะใบไให้ว่าเตื้อเดียวดนำะเหลียวเบิงนัยบ้านกาขอขมาบาังป่าแดงนำะและเต่าพามแยกนายุ่มดอกบุ้มเพิืมคัากกรจายำและนี่ละเพินกะไว้ไปจลาตันคนมีผลเจ้าย่อมเสวตัวบนเองดนำะ ละข้าวอับจนปัญญาใจดำเนินไปสือสมมานคนจลาไ ด, ดยกโปโดอโกก็ลงโหเป็นเนื้อข้าวดำละเพื่อนยั่งว่าผู้ดีบ้านน้องบ่ต่อคีดกอกในเมืองทำที่เพิ่นก้าวเานี่จะแม่นเป็นจริงนําลาเท่าพามลิงลาเห็นกูประเด็นกำต้านเสียงในบ้านอ่อยเบาให้เน่าน้ำอีกจังวาง ลาตั้งลานแต่สดใสให้เกินลวงดอกตั้งตาดหลานสิไปเที่ยวล่าสมันป่ามาถวายย่างเนือสายซาลาบัดสู้กินในเตี๊มเป่งเอียสิกินกวางกินเก่งแนวใดมืนอยากฝากเส้ท้องเนื้อย่างดอกตั้งนาเดียกินลาลามลมโด้ฟังตลอดสิ้นอะไรเฮาหิวไหลดาลาทั้งย่างตายบาดเกเห็นป่าแดงบองในบังตัดสินใจบ่อนเอาอย่างการจําเป็นแตาต้องพาม ราชการด้วนแทสิมาเล่นอยู่จังใดน้ำละจังว่ากันไปนามันยานาแสนญานลอนน้ำพวงมางว่ามันเสิยซา่าคําทางเอืงน้ำมย์ใหญ่เอ้ยจะให้เจ้าก้าวอ้างบนบอกทั้งสิบไปน้ำขอความใจที่หวังดีต่อต่ดอกเก้านี้โอกาสมีวันนาน้ำเสิยกับมะดอกต้นตาลราชกันโนรับใจให้ส่งบังดอกบ้าแดงน้า เกตบุรก็จรแจงสีบอกมาค่าจะไม่ถึงกัจนตามท่านพาลือสีทาวนาให้ไปเอาน้ำทานตามทั้งอีกต่อยังอยู่ไกลกาดอกไกลทานว่ดดานดงน้ำละมาบันนี้สีก็พงลงไว้บ่อนว้ดอกสีสองจบตามน้องวาดเบ้าเสียวไว้ว่าที่ควรน จนลาพ้นต่อเมื่อวนมวลมวนก็จำใจนามาบนชมใบต่อไปจึงฟังเรื่องจบสำเนียงเพียงยนเลมจนลาพ้นได้บนบันสามสิบมากระธาจานนะอาวาสานนอกภาคใบสิ่งเล่นะก่อนและยมนั่นละเดินนะ ฟังไปน่ห so ่างนกแมลมานั่นละเด่นนกสันทัง บอกไว้ไปนาจังคอยฟังละพระมานาได้มาหยุดอยู่ยังสีน้า ท่านผลื้เียละโมเดีมีความทุกที่ถอยใหญ่ยังน้อยละพรามก็คอยใจตั้งหวังไปหาปราหยาหี์อยู่ได้ขุมเทิดดาวเขาเงินภาคขาละพ่อจะตืน่นหงสาวดีว่าต่อพลื้เียละวนให้องค์ผู้มีคันบอกทางไปทางนาลักฐนล้านาตั้งเข้าไปหาปลาีบดบ่มีสิ่งเลียเ้ยวประกันแท ก็สิ่งได้ละองหรือสีจึงที่บอกคนทางละบ่ปิดบังอําหังขันบอกไปจนหมดสินงละบ้อนมีหินเปลือกซันละผาซันเันตันปองละให้พามล้อเอียดใจไปก็มาไฟอดอละตอนเง้ยมีเข้าขละตันกันนานนีกก็ยังมืดอเตือยเตือไปด้วยขันงุนหินละมีไปมือตลอดจินห่วยหอมทะเลลึกดู ดังเป็นทั้งลาดลลาปังอาดูงสีเด่นไม่ละสัตว์ในไปมีไหลลุละทั้งมีมวยม้วนมังลับจากวันนังต่ออย่างขวางและฟานเล่นติ้นมีมิระคันมากลายละมีพี่ผู้ยิ่งหายลักษาดันเด่นดวงอาปบอกเคยเที่ยวละอดสิไตไว้มวยละมีผู้เข้าละหันหวยกละเสือสนลนฟังละมีพวกฟันพวกมังตลอดสัตว์มู ดาประสรงด้านขั้นซอกกิน ล, ละละ้าอย่าทางวังอาขาดปวดสันจอนบอมีหนทั้งที่ทอดสิดงเด่นสิดงไม่ละมีแต่สาขาไม่เท่าวาลสีมุงเมือ่อจะต้องเปิดบ่มไม่ละเมื่อใครกันพอมองละลาวังเคื่อเจ้ของมองมอ ง, มอ ง, มองดูให้มันเนละ่ะมองนันหุบแท่แเขือไม่ขาดเอ เมิดมุงล่ะเป็นเมิดมุงมุงเมิดมัวมีทั้งสิบไปกับมันปีดเมิดมุงสีเบ้ามัวล่ะพราะตาัมมานะทอฟังโอทันทีละอจุตาลสีบอกจนหมดเรียบร้อยก็เลืยง่ายว่ายังไปลามลามนผลมากไปน้าทานพอลื้สีตมจำเทียวพอดีเฝ้ายังแปียบอนี่ซาล่ะผ่านล้านาเดินเลื่อยฟุ้งเฟ้อป่าไม้ใหญ่ล่ะัวง สิหิออกได้ฟ้ามเ่าะเป็นตจแม้อย่าฮอาฮ่ะจังใหญ่สิใหญ่ยังสิสัสบัดไปสับัดมาสิแข้งขาสิโก้คงล่ะบี๊ดใช้ดุงดอนดาวะจินดินข้าวบอลสิยังดีนัวทิตนํานังนัดลาจังจาให้ดังดวนนามา แม้นาสิตูกต่อฝ้าพรมกะบ่มีขันละสโปรตัญหา ม, มันมัดสีเมิดบ่วงบ่เห็นแจ้งละพามกะย่อมเป็นแหล่งอมมตตตาใส่สวงลัดลงเ่าปะไม่ละขันนี้อใัยจังคอยมาม อ, าอีตาพามคนนี้ลืมายด้วยกี่เล่ลาเทียงในทุกควีโอเมาะมัวจังเ้กรรมละอุ ป, ปมาคือดอก วอยู่ใต้ดามป่าเต้าทอคอยกินละฝังในดินในตุมบ่เบี่ยงบานไปได้ล่ะคือตา้ามเราได้มีสาวมันเส้นยากลำบากเขาสงสัยละยังจำไม่ดอก้าง ล, ล่ะพรามบ่มีพวกเพืออ่อนเดินป้าสี่คนเดียวละหอมไปในใ้เขียวสี่ผาคอยบางบ้าละมองเห็นตานเตยโตละสุ้มกันเกี่ยวกายเคลือไว้มุ่งมันเกี่ยวเป็นปม่มบรสิไปละฝูงตะลน้นทุนเท่าตนเตนต่าเตนาใสละเที่ยวาหากินมากมบสนีลัว่วคันบังตองละน้อยเนังลิงก็ต้องมากไม่ล้นล ดินพร้อมก็เลยจิบกินสิเยี้ยเลี้ยงห้องทองละ ฟังเสียงกาว้าห่องล่ะจับอยไปนำของเสียงห้องจะวิบวลล่ะรำก็อินออนนาสิเป็นนาต่อไปล่ะดวงนั้นมีแต่ไม่ประดสริจากฝูงคนมีแต่แนวปีหลวงเสือมู่เสือสัางซ้างห้ามก็ยองยิงเยื่อคือปีบงป่าละ่ะโมแม่เอ้ยข้าประตับมังไม่ทั้งไต้ก็แม่ น, นาม เลือดก็ไหลออกยามพ้ำก็เล่าควนข้างบ่อมีทางหนีบิตเ่านางลงปงไวรละมองออกไปทางนาละจีดินทางบนสีอยางดีนมาทางเห็นเงินสีเป็นเวสีหอมป่าละได้ยินเสียงใจฟ้าห้องทรงลุกมานกกระทามันเขาละที่แขกขอคันคันขัวละทางกูนะมีสู้ ยังคนสีซ้อนหวอัวมาูอนีนอบ่มีไปสิอยู่รวมล่ะคันมีเทเตพุเดียวละไปถึงทางกดเกี่ยวสามแยกกันยินงล่ะยนันเตลุงทั้งที่โวคันเงี้ยกัวเล่าสายละ่ะตัดสินใจไปนาตำทั้งบ่สิซสือคือสิสมมาติ ม, ง ม, ม, ตมงมโนตั้งกันยังตรงล ะ, ละ น้อยนึงตกหอดหงดงใหญ่พลันเห็นละได้ยินเสียงยงเย้าขึ้นเอวเสียงมาซุเล้วขึ้นตัึทั้งฝาตาเว้นเอียงสีย่อยเงี้ยละห่งเสียับยอนไปจนไกลกะคำเล่ ร้ามก็หูเจ็บแจงต้องหาบอนนอนพางละ่ะจากที่ทำสันได้อย่ปาดงขันเด่นกวางละ่ะหัวหมวกวงฟันเต็นดินหุ้นเลวแตกตือ ล, ละ่ะเสียงก็แตกอยนๆหามองละ่ะบลาสียนอนหน้ร้ามก็ขวรยคอนขอนยามวังลุงอ่ะพ่อเต็บปงยังทุ่งกะเรามองหินกอ่อ่ะเป็นที่นอนขั้นของเท่าย ตาพัมพ่อให้เมื่อยล่ะล้อใบอิดเมื่อยละขันมาแล้วเสียพังอส้มอ่าตาพัมเถ่ามองไปในป่าละยยมเน้อเยื้อเยินสลัขันน้อยหน่อยอยู่ริมน้หมดจารินะ งามเคยอินเพลงไว้สันดินพะญาเวลาจะต้องสงเพศอยู่หันระวังสีดันว่าดุ้งไปละแต่ว่าคิดออกได้ตอนนี้คำเล่งลุงมาที่นางละนงเบ้งจงเจ้าขึืนมาแล้วละรอแหนางข้านแก้วขนีไปในป่าละจีบไปขอบุตรตารอไว้หอดบาออ่นเศ้าซาแล้วจังค่อยไปละโยมแม เอยฉันขอหยุดพักไปในเรื่องมหาพ้นพระมนานานกูลสิโยเ่านอทาลาแปดสิบลักขาทากันนี่ขอมีที่จำไปแนละ่ะยมแม่เอยบอกคนแวะคันลีกเวลาคันไปนาะ ต้อคุมมานั่นแหละน่าซาละท่านอยู่นู่นั่นเลเอาละโยมมาถึงตอนนี้ จบไปเกีกันได้กันมหาพ้นแปดสิบพรคษาทางกาวทุนตอนภาพชุดชกในเขามาซูมงด่าเขาซูเขากรีวงกดแต่ว่ากรสิหอดอาสงอพิเวศนดอนกับพบคำบดีนั่งมาซีนั่งมาซีโคิกับเร่าตาวขึ้นมาภาพมันคิดแต่จจนสันวามกันจิเข้าไปขอเอาการหาชลีตอนย่มพบคำนั่งมาซีกลาบกะดงจากป่าคงบดเป็นแถในนอนก็เลยนอนอย่างโคตเห็นเนเคลื่อนนั่นเองกรเพื่อลอให้หอดมอินเศร้าเพื่อสิอขอเอาการหาชลีจากเวศนดอน มาถึงตอนนี้ก็ว่าจบด้วยกันมหาพนต่อไปปีกันกุมารย้อนเก่าจะนั่งมาที่นั่งหลานนั่งมาที่สิฟันต่างนั่งมาที่นรัสิฟันแทว่าจันไดพระจันบาริกาเมตีผูรัพไสในน่ยทีนังมาที่ออกมาเผยว่าจีสุกญมฟังบางนังมาที่นังหลานนั่งมาที่สิฟันต่างนั่งมาที่นรัสิฟันแทว่าจันไดใหายจะไขปากตานจาว่าศูนฟังมาดูมัดซีเอ้ยมัดซีเอ้ยอ่ะฟังต่อกันกุมารหล่อยหนึ่งนะครับ บัดเนี่สเลียสาวเกี่วมาที่นา่งโนยนาโนย่ปัสสัดกวังสาละเกียวเตือนไทยน่ะ เ้าเมื่อใส่เหง้ายื่อนบันท้วมคอยทอดนั่งกลับเจ็บเจีงข้าหน่อยหนึ่งกับฟันยิดนาฟันว่า้ายคนเท่าตัวดำดุปลาดทั้งอุดทาดอกไม่บานบางคูแดงมือมันจะปัดแสงกาดดวงโค ถือขานามเกามาจับป้าเกนเกามาที่ลมดอกเท้าลุงน่ะแล้วจึงตรงตัดขางเกนพนักหน่อยนาดมือมันจับป้าเนตเดสองขางเราควงหนี้กันว่าพี่ไปผู้ละเหมือนกาดำปอดทั้งเราโจกออกเดง ห, หวัวเจหนอยเราเล่นเนีย มาที่นังนดลามาที่นั่งสะดุ้งตื่นตังตกใจสะทานกว่ายานลองสันนายนั่งเจงอุบายเบืองอาโค้ดในโลกหาผู้โดญุกที่อนทำในให้กำบมี เห็นแต่องมิงแก้วตนประเสดหรือเสีผปูเปิดมีปัญญาดอกว่าคนดังกายพ่แต่อธิบายแล้วน้ำยัวละยาติขึ้นสุปาสศาสกว่างสารแก้วดอกคำคืนนเข้าเขตใกล้ขันพองขอประตูท้องมือนั่งตอกันต้อยตีดังต้องมาเสียงสาเลือนนอดังกองอะ ปะตูดังมาต้องละติโต้เมือนั้นต่อนออตต้องปตูอยังวงดอกนาเพนั ประตูซองตะวันเตียนราชสีสินฟังไปเอื่นใจไปกันเหลือนั่นเองน้ลานเทพตะวันได้อินฟ้าน้ำต่อตะวันการ ท, า ท, า ท, า ท, าทั้งตาเดือดดือดขึ้นต่อหมื่นคราน้ำลามอทาอย่างน้อจังสีมาทีตีหรือบาพีดีนวนอน้ ลาวก็ประตูดังกรคำนี้พระองค์ที่กระใจกระซาประจากว่ามีแบ่งกันสั่งยังมากกว่านา้ำลามาทีเอ๊ยน้องบอกกว่น้องคำต้องนาํากันเป็นของหรือใดว่าไอา้วงเต็มที่มาดาน้ำลามัวนรกข้านอด่า น, านดาวเสิหัวหลวงโมูาอุมนำ หรือนรม่เห็นเรื bon ่องดอกกังคนแนวใดน้ำเพียสี่ใดกองต้มเจ้าบ่จำดอกหรือนองน้ำเรื่องตั้งบองฮาเจ้าว่าน้ำมาที่นั่งน่องบ่เจือน้ำบ่จากไอห่องก้นเลือสร้างหมดน้อบ่ใดเรือมีเรื่องน้ว่าเรื่องใดนั่นล่ะน้ำ h <laughs> Ananya. ทำกางเขนละมั้งสิเอ้ยเคยว่าวเคว่าละตัวว่ายา้มายามายาเหมือนน่องคำว่าไรเงี้ยนติมันสิพระเจ้าพี่เหตุที่มาสิมายามมีการจังทร์สี ย้อนว่ามีเหตุจําเป็นซันดอพระเจ้าค่าโอมัตซีมีเหตุจําเป็นแมนเหตุจะเป็นของบ่านั่งมัตซีมันหมายถึงอย่างไรน้องล่ามัตซีมาที่ฝันพระเจ้าพีมัตซีฝันอ่ะมันฝันแล้วมันจะเป็นอย่างคืออยงว่ามันมีเรีองเวเล่ามันถึงยากแห้งแต่บอฝันด้วยซึ่งฝันเรี่ยวหัวเบื่อขึ้นมากกะบัวซ้ำใบอกซ้ำใบใจพระเจ้าพีเอ้ยอ้าวฝันเนี่ยเดี๋ยน้องล่ามาสซีว่าวันเร์ี่ฟังมึงดูฝันว่ามีผู้ชายคนเฒ่าตัวดําดูประหลาดทั้งหดทัดดอกไม้านบางครูแดง มือมันจับพระแสงกาดวงคมถึกขนาบขามจับเกดเก่ามาที่นองเทาล้งแหลงจุตรงตัดคางแข็งระนั่งหน่อยนาดมือมันจับพระเนตรไดสองข่างแล้กควงหนีสันดอกพระเจ้าพีโอฝันตัสี่วะทีเมนเฮ็ดนิมนาบเลสีจาว โซลาเน่โดแจนโซล่าฟังควัมฟันนานอองนัแลาเ็นเชงแชมคาดีดีโนนัฝันจังซีจักไดมีบัมทาวน์ซุยสักโกันค้นตตยละม่ก็สองอ่อนน้อยนัมันฟันนาว่าก้อนง่ายนัมอันว่าใส่สมอนลานั่งปัญหาใจอ่อนลานังก็ฮักลูกน้อยนั เสมอกรรรากังตาดาหลักันสิบันหลนาให้ดอาตายไปดราตามชอบยามไ้ประกอบสองโอนโออน้อยดำกันดันให้่าแก่ผ้ามือดำหวังจะอําบังให้ดำหวังจะอําบังให้ไปทางนี้ข้าไปแปดดนแล้วาวังว่าจะวานเว้าก็เลยตันว่าลา า, ลาอนนาอนลมาที่เอย้ยลาจังว่าฟังเดลา ลาจังว่าฟังเดีลาฟังว่าจะดอกของพียลาเจ้าห้านอนฟันดีน้ำบ่หมีตกโศกอ้อนประการแทว่าสิ่งใดน้ำในยินบ่ละมัสซีนเจ้าฟันดีตัวฟันดีที่พระเจ้าพีลาเพื่อนยังว่าเก้าสิสวยสิบสิสวยนาำบ่ต่อสวยตะอใบเข็มนําลาเพื่อนยังว่าเก้าสิแหลมสิบสิแหลมบ่ต้อแหลมใบข้าวนน้ ลาเพื่อนยังว่าเฮาสิยเฮาเสีบสีเฮาว่าบ่อต้าเดือนเยเดือนเกียงขันเก่าเสียงเสีบเสียงบ่อตเสียงดอกแมงหัวนำลาเพื่อนยังว่าเก่าควงสีบวงบ่อต่อควงเงค๊งนำเงี๊กเงี๊ล่าววันขันเก่าฝันสิฝันบ่อต่อมาที่ฝันขึ้นนี่นำลานางมาที่ฝันขึ้นนี่นำฝันดีเสิมีชงลงบ่อานมันบ่ตองมัดยาเข้านำ ว่าปลาไสันดอกนาหนามผานาง กัหนหาอย้องหลากกับ<อ>สุอสมไปหากันหาชลีล่ยเสงหลากไปซะกันที่ปฏิปเจ้าพีเมนบัดเนมพอด้ฟังพี่ ว, าวมาที เดาไก่ลูกจังการล้วนสาคัำขอให้สินท่านสร้างบารมีกุมเลี้ยมบารมีเตรียมกุมเป็นสุขกรุ่นกุสุกรุ่น พ้าม่านงามเหลี่ยมดาวดาโต๊ะเตีงมาที่ก้มจูบแก้มสงน้อยเอววนพอแต่สั้งลูกเดีวกัเก่าบางล ที่กัางอ้น้ำฝันหลากล้างค้นน i ệ m จากสีดีหรืออายเป็นตายบาส่สูงขึ้นไปโคกวงกวงตาจ้องได้ดสงคือน ในงินคืนคืนเขาฟางเงาหลางมฝนมาเสีววนเวียนลาะอยู่ดอยดงคอยคอยหาผลปักไม่ในพาอ นายพายเอ๋ยกะเป็นเอือบปพัวฟังเอ๋ยบนพวกมักเมาจิจนจอยกะบอม่มีมาลาที่น้่งางไงอนา วงอะไรกับบุอ่อนเกิดเป็นตาอ่อนซอนแสงสาอ่อนสมผิดนามาที่ลาดอกยุดหายทางอากาศกัมืดมวางกันว่ามืดผิดเดิมทางเคยเดินเคยเที่ยวกับเล่าลงบ่หมิอม่อัลว่าผลพละไม่ในไปกับแป้นเป่า บนนวำงมากเมาเย็นจ่อยกะบ่มีหยดไบเหนียมาสีกว่าป่าในดงเข้าสู่พงไบหกกะเพื่อปนไม้ขอฟังไปกลางนาผา้ามาเนอมาขออ้อนขอจับตอนซอนเงือนไวขั้นไปน้า เทซัมไดดอหนาฮะัวกตนวัว แกดอกไอ้เงยนบบ้าใบใบเสกันหมอกเมากันเศ้าโศมน้ำและสมนองยังบินเสียาความเลื่อนแอวแล้วอยู่นังนึกสะบ้ความหวังน้าโอกาสดีได้เลือกแลี้ยวดอมยิ่งว่าแม่นย้ำน้ำลำพามันหัวยุ่มยาม ไปได้ยามต้องเปดเดินโซเซปันละคนเมาเขาสู้อาน้สมทานเดะเบื่อสีวเขาสร้างลำสร้งกุมันเป็นทาดซอยน้ำละน่อยบ้านนั้นก็เลยรัทตีลีไปถึงเจ้าอ้อน พาลาสีนั้นละเดินนำเทวพรหมโย ตอนนั้นองค์พระเวทแกมเจ้าคานตอพระมานาการที่มากพระสนโยสบายพระมีห่อนเจ้าสัญจรมานี่มีกิการอะไดแน่อุตการและนําเชิญท่านในเดิมกินมีไปมือตลอดสิ่งผลละมาของสเสวยแล้วว่าจา ก, กันจะเสกเกินจจด้วยเดิมพันยุภาพเดิมอู้ขอขอพระคุณไปเก่าข่าเกิดตอนหลับปายไข่พระผมมาไ ว, ไว้้ไวๆเต้าคืนเมื่อบาน การทีมาหาท่านวายอย่างมาขอซองกุมารจังไดท่านที่ใดบ่วายจังใดเด้น้อยที่พอได้ยืบบ่ก็ร้องเว่า เ, าเบิ่งกันมาผู้ขาววายทีมาขอกันหาชาลีจากพ่อพันนาเวชันดานโอชันดอนโอว่าวผิดพ่อพันนาขออภัยเอาละพญิพาเมิอกาดในเมืขอกันหาชาลีนั่นเฮาก็บ่มีขัดแต่ว่าค่าน้าใจเมมาที่สีฟ้า นางพญายิงเดินดาวแสวงมันยังบ่อเตาถ้าจะเข้าเสดไบบ่พ่อให้เตาเคลืนขันพญิพามเสืขอกันหาชารีจากเขาหอกกระบวาแต่ว่าล่อนั่งมาซี้กรับจะดงจากป่าไดบ่และพญิพามให้หอกขอเวลากรดไดบ่พญิพามมาได้มาได้เขากะลือลือแล้วว่าพระองค์มีคาถาฤกว่าถูกทิ้งขีมา่าแต่พวกนิ้หรือพระทาบ่แน่ขีแม่เรียวหลอกตัว เขากะลือล <l SM B> ื le o le o ้แล้วว่าพวงมิจฉาท่าที่กลัวทุกทิ่งที่มาฆ่าแต่พวงยิ้มรือฉาท่าบนแย่ทีแว่เลี้ยวหลอกตัวขันจะให้กะลีบใหพายยาเกียวกับเงี้ยหลักเดียวราท่าจะหักเพพังที่บ่ไอคนบ่แล้วแห้งว่าพามในมาพ่อว่าหรือว่าฉลุงอาแขประชาบแดงชาำบ่ชมชินชาลูในบ่ เน่ยไงผ้ามช่วชกได้มาเคียดมอคอดมาคเขียวเสซคโคากันหาชาลีองเพนเวสนอนกับว่าเอาหลับพยูพามื่อนกันดีมอขอกันฮาชาลีนั่นกันเฮาขันหามบอยาดาบฟั่งขันบ่อถ่าบ่อค่อยเฮาเสีท่านในเจ้าโยแต่ว่ามื่อลูกทั้งโคของเฮาเรียบเหล้วๆผ้าขึ้นเข่าสซนคอนเฮาเสียม่านคาไวนอยอ่อนทั้งสองสีชาลีพันทะลึ่งท่องสิงชาลีพันตะลึ่งท่องสิงหองสิงของกับพันหอย ส่วนกัญหานั่งหลา่าพันตําลึงท้องนั้นเป็นคาคไ ข, ขยก็ห้อยมากก็ห้อยพร้อมก็ทั้งคาธาจจึงสมานมงขอแหลวปเป่าศูวนพ้นทุ่ยไทยไม่ยินองพ์ะเบรสดอก็เลื่อหองเียงอเอิญกันหาเฉลี่ยข้าสูอสมพ้นแตกก็เลือยหาายาดน้ำไม้ท่ามให้แก่ภาพนั้นไปเป็นวระจบในกนารกุารามารบัญต์นพระยาโนตตอนที่เบรสันดอนได้ประทานกัญหาเฉลี่ยแก่ภาพไปบัณฑยนกาวถึงกุมารบัญตปายตอนนี้กาวถึงนั่งวัติลานั่งมาที่อยู่กลางปา เพื่อนจีพ่อยงังแนผสมีงเข่าเบาข้ามจาจันแนออกมาไขา่เปล่ากาวเบาจา่าตานสซกยนมองดูมันสีเอ้ยมันสีเอ้ยเนหอมตะวินเบียงไข่สีหอยข้ามาจนสิตล สามสัตวเดินวิ่งบุกคันหลีกเกียไปแล้วล่ะมาที่เจ้าป่เหลือจางเดินทางขันหลีบเปลี่ยงล่ะเรลี่ว่าลวกตัวเองเสียของคอยอยู่ท่าล่ะล่าเอาเงาละทุมล่ะหามกระซอกขันเหยียบลมมมปาถึงสาลามองโดบุตรตาสีม้ารัดล่ะวังทางก็เลยจอยเงาสัต หลังและว่อนเอินเดินลงมาเข้มป่าละว่าชาลีเอ้แยกกันหาเอ้ยแม่เจ้ามังหอดแล้วล่ะ ทำแก้วไปยดใส่ละหรือว่าลูกเจ้าได้ขันลีซนว่าทรงละหูกถอได้ก็ยินมิดสีเงียบภายบ่อคานตา ล, ละใจบ่อบาทมาที่น่อยวนเวียนตั้งไหลแหงละพ่องสงสัยว่าลูกแกงคนล่อว่าลอกลวงละทั้งอาสมเชิดกว้างมาที่หลวงขันต่ำหาละปากว่ามาขมามา นี่คำแรงลงแล้วล่ะเยื้องมาอุกกูแล้วไรแนวเต่พ่อพา ล, ล่ะหาบ่าพ่อสองกลุ่มมาล่ะขึ้นกราบทูนพระเพิเจ้าจาบ่าเลยเก้าถามลล่ะลามเพียนั่งเอ๋ยโลกเข้าใจจมนามเลียข้าป้าวนะใดล่ะ เพียวไปสองใส่ใจบ่ลำแลาเส้นบ่อายล่ะน้องเบิกไล้เสียหาแล้วจงโงข้อมาทำเพี่ะบอกมาทีศเโดยดีละเดี๋ยวเนี่ยคำเนื้อมืดแล้วแต่เที่ยวคนละว่าเลือนหานั่นละนาละเพียรา พระเจ้าพี่เอ้ยมาที่นี่กลับจากดงจากป่ามาหอดอาสมพีแล้วอันเม็นลูกเมนเต่าไปอยู่มองดพระเจ้า้าพระเจ้าคือเบีิดลูกเห็นเต่าคือตะเก่าตกี้เทพพระเจ้าพี่เมื่อนานาแล้ นอตอนเจ้าสันดอนปัญาเวทเหตุพระนางดอกเอวอ่อนนดอกกวเวาอยู่บ่สาวนำละกันปวงน้องบ่วานนำนางสิเล้าดอกลาตายกันเพราะไฟวาจาสิเล้าตาตายดินเล็มองโมนิโนดกันหันมาจาดอตันตอมแล้วจึงออกปากตานนำ ดอกความเบาว่ก้มแขงน้ำพระวีตัดเจ็บเจีงจ่าตอดอกกำลัมนางขาม้วกัมกังกลงกับวนลองน้และนางไปหาเกี่ยวปลาตอนอยกังป่าไปหามันตั้งแต่เส้าอบต่วันก่อยจังก่อยมันนละมัดที่เอ้ยนางประเฤตยาบสาน จนลงโลกเลิมผัวน้ำละกันน้าตาโน่บ่ย่อยป่าต่ตาเยเซีนอะไรเป็ดเติมน้ํเตือดดังกัมบ่ล้งเอาครับอันว่าปวดตาเจ้าแม่นไปโน่สิฮูเลียงน้ำแม่นไผ่น่สิฮูเลียงยามาสซน้ำว่าตัวถามนั่นล้านน้ำพานา อุ่นน้ำลมน้เอ้ยกกวายังดูได้หลานน ปันไดก็หินลวกมือนี่กูบปันไดก็เหยียบจอยล่ะั่นคอยเอื่นแต่เมืเ่อยแหงาลาเดียนัง่งเอ้กลับมาตำถุกกะนาแกล้งข่นเปลงวาดบอสบุญละ่ะจุดพลังคั่นแลงงานกลับป่วพระเพื่อปัวน้าควัญไทยละให้หลังจากั่นบุดไว้แต่ในแต่ไร You. <seð gutter> บ่มีเรื่องละละมีนังเอ้ยว่ายแบบนี้ปี่โกรธเถีองสั่งมาที่ขันสันบ่จังหากวาดาเปื่อยละผิดบังดวงี่ไอแต่ไ่จากเสพละหาผู้เดีกคือนางเสียงตามบ่มีบ่ละละบ่เคยมีกันกันของ ขอนในกระดูกพี่กินลูกสันบ่อจังหังกาดังอยากมาละเราเอาไปใสียมกาบอตันเสียน่าทันจดหมายล่ะลาพี่นังเอื้ยจะกินตายเดินไปเจ้าขึ้นบังเฮาแล้วล่ะเสียงวางเฮาไมเห็นแล้วลาลาามาเดียวเอ้อยก็พี่ลอ ตลาคนมาที่เสียกระเป๋ายังนในคำจบไปดูให้ว่าทัวเที่ยวอะไรกลับมาถามขันบิดบุงเต็มมาเรื่องมาถมทำลาน้องขอยิบย้อมลับถ้าดอกใจดอกคือว่าหัวลาเอาเลยเดิมใส่ฟาฟาดลงมาให้ตาย ที่อยู่ดงขั้นอยู่ป่าท่ลานีเถื่อนธรรมากำตองเฮเล่นพันละ่ะขันนั้งทีอยู่หาลสีมันเทียงขั้นกำบวาระย่ า, ยา ม, มามาั่เหนวได้หงจลเลนเสือเกล่า ล, ลองบังดูใช้กำยังใจไปเนเทวดาเฮแล้วเบิงละงมแม้เอ๋อยว่าไปเฮงตะคือเฮคือดังอกสีแตกบางละ บ่เห็นทางดอกเันหอยละเล่นหลอคันลูกหน่อยก้อยอื่นเลกกูเอานกจะเวามาละขาร์ลสนันดงกันบุ้งกวงละลาพผ้าจันดูนลาบผ้าพูนบรวลาบผ้าสิบหาคำละน้อยพันเบกขันสีดำลูบมาพัดเมิดไวละมาที่ให้คันอ่อนแฮงละละหาบนเดกระเป่าเล่งไหล แ, แต่งูกอ้องตํำต่อหวสุขเลือดไหลเดงลาลาลาบ่หัวเส้ามันสํำปากว่ามาคำเยลูกเกวของอีเมื่ ลวนเดื้ออดขันตอบจากคำเนมแม้่สิตตยจากเจ้าลเห้บาวให้เบลล์เธอมาเดียขันเลือดป็นังเขาป่าขันหาบุลล์ตกในคงเมืองมนุษย์อังหมมาฮันล่ะล่ะเมื่อบวันขันในนาบากวามากคมเอ้อฟา เ่อตาอุ้ยตาอุ้ยลวงเน แม่ดี้นจนปากเฝ้ายึดสงัดนิจจริงละสะเวียงลุ่มว่าเทาลงล่ะละบอจะกงขันจังหูสีลงห้องขันนำนาละลเที่ยวกลับไปกับมาขันบอนเดียวตั้งหลายครั้งละลาหมดก้มวังสีหาคนจอละดนขันกลบตาอวกขึานทกลบทุ่นยังล่าทำปละอวดอีกครั้งพอกว่ายานว่าสนใจละ ลงไปก็คอยประทุมจัดขันสาเสียละยุ่มแม่เอ้ยก็บามีหอยคนแต่ยังได้กันพอดีละจดนว่าสาคันสียคนละตุ้นหัวเอ้ยลูกที่ยุดใส่หนอน ลุงสีห้ในบ่แม่ผมเกิดฉันเดือดร้อนละนอนแฮ้สองแต๊เสียงอาลักฉันสินับเบื่องตั้งแต่มาที่ฮานะเป็นเวลาเมื่อคืนันหมอควห้ฉันหนำเหนอยละเพีงสบายฉันว่าซอยละฉันห้อยามันจีกูร์ปลาม้วนดูบังบ่ได้ที่ให้โยบ่เศร้าละโยมแม่เอ ถึงเวลาขนุมเสวันหม่ก็ยังหาละจนปัญญาบัทีนางวางสีหากันเสียเลอละ่ะกลับมาตูนขนันพ่อแกวไลแนวคันว่าว่าละ่ะ คุณพ no ีขาคุณพีขาขันลกหน่อยเขาไปแทรดแงใดล่ะมาทีว่าจะใจใจลูกมาทีว่าจะใจใจปลาบอดใส่หูฟังนังเบืงตึงขันเลืองอั้มบอปากนํากันบ่หน่อยล่ะเลยสวอยเป็นลมละขันเมื่อกันให้จู ัมาซิมาซิมาซเสะยหวเลี่ยนลมก็มอาซมาซีมาซีมามึงอยาาต่เสวนาสงกเพหลวง่ลาขันตรมโรมาเยสนายะขันเนปนิอลา สรุปลง ม, มาเป็นแถวลูกมาซีมาซิมาซิมาซิโอ้ยมาตา ย, ย่สูงแต่นอกประเนเนาะเบิดนี้องประเวทเจ้า <c oughs> <c oughs> เห็นนัดนางมาทีวีสันย์ิสลบตายนำลาตอตากันตรงนางนำเมตตาญาสิเฮาง่วงปานดวงใจสลดขาดทาดเล่กันสิตแตกมางตกวังทิมยว่าพรำกันลาดีน้องนำ ละเมอไอจอับเนียงกันลำจมเกินใส่พระเบาตากาสูชนกนงภาคอาบเลียนดอกลุงบังนำว่ามาที่ ลาว่ามาทีเออยมาสังเป็นเนื้เจ้าอัลาเมียเพียงน้องของเพียงนลามาทีเออ ย, ยู่น้ำกันดีๆตายจากอ้น้อจังสี่เมียค่อยตายเราย้าเอ้ย บ่มีมองพองสิกัยนำลามาตีเอ้ตายกะตายอยู่ป่าไม้นำอันดองงัยม่เห็นหอนละนั่งเอ้ยลูกสังพนกะนนี้ไก่ย่างไดเด่น ลาบาวนะเพี้ยลสร้างนะ้ำต้องอาพลางเอ้กันลงเด่นนะ้ำลามาเที่ยโลกในตัวมุมเจนะ้ำ หาผู้ดีน้อจังเจ้ากันตายเลี้ยวว่าเกิดมัองดอกลาแสนวันปีเดป่านับอยากบัานพบประสบเพลินลับยังบ่มีเหลือเดินสิทอนุงดอกเฮลาป้าเดินไพลคน้เพื่อตามดอยน้อต้อยต้ เมียค่อยตายเราย้ายลามาเตยเจ้าว่าจมม่พอข้ามน้ำติดตามน้อนตอนนบเเรื่องหอนกาบคืนดาบปากจมวะน้องเอ้ยให้เจ้าเตือนเหมือนตาโลกส่องแล้วที่ธานไปกับเพื่อ คนดอไม้สยลาเลยมาตายโนสาสามกำยังนนองโอ้ยขันยงพลามาเทียยาเมื่ตาย ชีวายสิ ล, ล, ำลำ่ลำเพ็ดจังใดเ<ำ>ดโนานางน้องสิกับตาละมาซำใจเดโนคอยรำหญ้ามเมียตายชีวายสิ ล, ลำ่ล ำ, ลำเพ็ด<ำ>จังใดเดโนสิคืนคงมาบ้านเก่า นีละนอยยมนอโบราณว่าปวดต้องขีดหบคงเป็นพี่นี่ละนอยหนบและสร้างบ่อสมเจตังหับหวังที่เบิ่งโพธิยันขามสงสารเแสชนเม่มาที่เือทายและเล่มาตายโนอสาสาม กามยังนโนกยัยญมพรมนัมมานุโลกเฮาน้อสร้างมาเป็นละจังสีนามอยากมีหวานมาเป่าคืนนามพระเวทให้ซาเอลนามมาเยืนหามการิขีดคิดขึ้นมาแล้วคนละน้าน ขึ้นมาแล้วคนามขังนายสร้างตัวเองล้านแย้เมียตายสิเป็นหมายคนเดียวได้สิขาดมวนลน้ำลาไปสิมหาสูบผลบลามากไม่น้ พาละไม่ว no ่าเครื่องฉันละดีน้องดอกลาเต้นำลาพระเวดใบดูน้องนําลากามเคียงอย่างอุ่นอุ่นนางนุนเหนือป้านั่งนองอย่างบอตายดีน้องดอกลามาบานีพัชชิใบเอาน้านําในกันที่มอหวมเปล่านำลายมอิโยมมาเทน้ำนอแจำเจ้าก็เลยเฝื่อหลับ ว่าแต่ว่าคืนนั้นละนอนนอนพนัง มันที่ฝืนมื่นพ่อตนั่งมันซี่ฝืนมื่นตาม่าดูพีนอนอยู่ตักผาสวามีความพระายเกิดขึ้นขยับล่างออกห่างไกลขอให้พระใบจอยยังบอกเรื่องบุดตาว่าชารี่กันหาไปอยู่สยามอึงมันสี่ฝืนขึ้นมากกระทามฮะกันฮะชารี่ระเวสนดรก็บอกว่าเอาละรองลามันสี่เอ้ยอนาบุตรตาล่าของเฮ้าถีนองว่าพีท่านไห่พระมณาุทธิชนขมอดไห้ไปแล้วแต่มื่อว่าขอลงยาสถานในสาตุโมตนาเพื่อพลาผลบุญแก่เฮ้าไพ่ซอย เร้าโศกกาความเศร้าแหหวังเอาดวงยอดสัมภอจอดอยู่ถาเข้าแล้วแซลเอาเมื่อวานนั่งมัสซี่ของวาพระเวสสันดรได้ประท่านกันหาเจดียแก้พามไปหวังสมาสสามพรายามนั่งกระาถูกอนุโมทนาจบในการมันซี่เก่าสีพระค้าถามต่อไปไปกันสักกบันซีสามพระค้าถามมอบหมายท่านพระไตรกามัยตรีส่มังคโลดำเนินตามกันด้วยกันสักกบันกันที่สิบนายใหญนอกกันทีสิบไกล่จวนจอมอจบอะไรใหญ่นอกต่อไปฟังที่กันทีสิบ เดือยสิ1เ2็กันกนจบนายายญ่อบัดเนียนจบบนนังมาสีดานาหาวามันเลี้ยงลูก อ, อ้น จนเด่หมอนมงเมียบตายติมอยู่วังเขางึดนตอนนี้เพิินกา้าวเมาดูละเอียดเหมาะสมผวกคนฟังกะไปรอดอกมวัวยินสะอ่อนโอตอนนี้จบบทบานมาที่กันไม่ในีกวนสากกะบันบองบอนฟังคาสบว่าไป สสิสามเพิ่นบอกไว้ในหมวดปากคาดถาจันขอปะพังมาก่อนว่าบ่มีทั้งเปลือนเปลี่ยนบทเรียนแก่คนเท่าชาลกากันไกแกจะสาเฝ้าเดือดร้อนฟังเรื่องดอกทอดเติมณ e นัาบาดนี่สิได้เริ่มในบทบาทสักกำบันฑนาตรงจอมทําเดดทอดทรงบุตรตาหน่อย ให้แกพักมาโนธรรมเมืองกะลึงเดินหอดพระองค์ท่านถอนแกวไปแล้วซึนพระไทยเงินโอ้ยฟงศรีมุ่งมายยืนโมธนาธนศรได้ดงจอมปาสนั้นยังเสียงกรองมา จนคนพ้องสยองเก่าเมืองเอาหล่นลังวัดตะนังนอบนอมปาน้มนิ่วยืนทำวายฟุงภาษาหมูกรวยออกดอกปินการเมืองยากากันดันากันจนถึงเท่าเขาอยู่คน้องนอมจอมดอยทำไว่บาท ขันธามาตยลอมย้อมรวมดอกส่วนบุญในกันขั้งนาละที่วาชสักกลินพระองค์ลิงแล่ดูแผ่นดินดอกไวเป็นเห็นว่าสีไปเจ้าสันดอนพรญาเวดพระองค์ท่านลูกน้อยไปแล้วแต่เมื่อว่างอึบนเกิดแผ่นดินสันธานแด่ท่านทอนบุตา พอว่ามีสาธทลูกลุ่นบุญ น, น้อยเฮีมนคนเขาลือซาเรืืองเสียงซอดอกสิ่งสาพระองค์ใจแก่กาดท่างได้กุศลเนี้วเดียวนเลือเตะแกวมาที่ดาดคนเดียว ทานมีคุณมากขออมิงเมียสิท่านในต่อไปสิไปเจ้าสั่นรอนพญาเวทกาจักะจะเกิดเดือดร้อนคนใส่สิบอ่มีนาเสีนกาสิเกิดเหตุบนปีนตีเหตุกงังกันบ่มีไปหางว่ามันเปื่อกกอยมาเลี้ยงกูคว้นไปขอไตะ มาเทนังนไว้สายกวนแล้วสิขึ้นในทันน้งดาวกันรังปอมประสาทพอเอื้อนเพื่อมืดองทัท้งดาวอินทิลาดล้ำลึกสายังลงมือค้นการลงบนดกอกกล่อม้าสเด็จลูกมาอองมาวงโกตยิ ม, มาเวดแล้วจึงปองเปิเบียงสมดามดอกดังพลอมสักคน่ต พยายามเดินขายับแล้วจังวัดตานนุมกาบลุ่มสามคางนั่งเตียควนก็เลยนิ่งดุสานีบ่มีปากเข้านํางระเวีเจ้าจังทำถอยดอกท่านพัมน้าทว่าเดินดุงด่านมาหวานประสส่งอย่างพัมจึงวัดตานนุมกาบต้นบงดานเนี่ยเตี้ยวเดินดาน มาถึงสถานที่วังบังองค์ปลืสีคือสีว้แจ่มเจากันทั้งปีประหยอดทำเอื้อดสาวัดทานลืดลำะสาะบัดทานลืดลำใจง่ญ่มากสากขาดทําต้านบ่มีขาดยอดป้าใจใจก่วงอุ ป, ปมาคื้อนมกษแสชน ทั้งอาเมีกาเสียหลายมากลนบ่มีมือการตายใจเย็นคือเมียนามาใจเย็นคือเมียนามาตือว่าคงข้าหนุมมาณเจรวิญปิงสานาที่กลาลังเลบอกมีอัลล่ะฺอุปมาเหมือนทานมีปัตยต้ใจกว้างใหจนามปัตย์ใจกึ่งกลางกั น, นทั้งความีทุกู้์เงิดน่ะ เหติเก่าเดินดาลวังลืมอำมมลึกว่าจะกวเมียเพีงท่านพระองค์วั่นีเธอมานางมาที่อ๋อเมียเพีงอุปนิธากว่าจงประสัดในปานังหน่อยดังป่าทรงเข้านั่งหลงเอกไทยน้ำน้อปุตังกุลเน้นเก่าต้นขอเมียเตินป่าไทยใจแมงเอิ้นาเมียเพียงลา เหีบมาเดือแก้วก ja ok ู้ือึมโปจะเกลีย um ์น um ังหน่อยนาดต่เพ้งพระเวชจากเขาตาลบอกนาดไม่เสียนังมาทีได้ยินคำเส้นบานนั้นก็เอาแต่ตามีโจสิท่านฝาพระบาทเกิดมาในจัตนีว ok ังซ่อนดอกพึ่งพัว แล้วแต่ป่าพิจาตจิตั้งตอดบ่มีกาดจับมือนางมาที่เราอยาดลงยังนาม อ, อีมีนะปุ่นอยากกรรมมีนะมีป่าใจใจใสแ จ, จ่มน่าเชิญเอากุดนักนามนั่งหน่อยเบกันลาร้อมนั่งหินยุฟา่าเทวโลกทั้งสิบหัวผูกขายโอมมือโยกตลอดถึงเตแก้ว เสียงศักดิ์สิทธิ์เบื้องเตลูกกาโกกโลกคนละนี้หนากนามาสุนความดอกพมว้นอืดนะคนไหนมาเลยยามความพมเป็นปัญญนว่าการมีเมียงมาที่เ้านี่คอยมีบุญลลนกุดสลน้าเน่ยพัาให้สำเร็จพอตินี่ในอนาคตกลางนากานสงเมียงปัดดันนา เข้านั่นเดี๋ยูฟยาจึงจงนาดนังมาที่เดินไปตามสาเสียลอยันดอกส้ำข้ามาแล้วจึงกลับมาหวองตละต้องของพระเวทแล้วจึงบอกเกดใ น, นว่าเอานี่แม่ปลาอินล้อบินไปโย้าแล้วยังยุยอา่าเข้าเดียวขึ้นมาเมื่มาที่ขึ้นให้ต่อไปนี่ยะทั้ง น, น้อย มาที่นั่งแจกใจไป่ากกว่ายาเสพเพียงเว ย, ยาเสียเทินในขั้งนี้องค์ประเวทประสงอย่างเออมี จ, จิตใจมุ่งวังเสียงได้จงขอนอเมาเสียวพ้อนในสมใจกุตุยงองค์ประเวทจึงเขาห่างป้อนแก้วแปดปรกกาล อันว่าขวานั่นข่อยกับเต้าบ้านพ่อพดองเชิญไปคอยกุงสนใจมาเข้าวเชิญเมืองบาฮันสุกสามลั่นกะเสียมสางควงเมืองเลียงไปกว่าสองนั่นค่อยเจ้ปู้กาประทรงตั้งมาตอเตนนะย้ำเมื่อกับเต้าบ้านได้แจ้งใจทำบุญเพื่อเป็นต้นไว้หลังตาดที่มาไปน่ะ ความสัมนลอยมีใจกายกอมคอยข่ามีใจยินด <screen> ีด <tr ue> ้วยปัญญามีใจเกิดตั้งจิตเท็จได้เมื่ปราม่างมารายรกูกามพวามสิ้นคอยือดังน้ำสาบสิ้นละท่วมน้ำกาญมือโยตวาละทันอย่ามีปองความนั้นเมื่อขาดโยตางก็าะสมบัติ อย่ามีใจมโมโบบา ป, ปตัามกรรมอายคุณทั้งหลายเมื่อน้อมมาบาละมีอุมทีย่ามีเกินขันขอ้อดมด้วยกุตัวยำขอวอกนั่นละคอยบูตตาคาโอละสะทาทั้งคู่ให้ได้ยูเสืงสางกองบานในย้ยูดี ความเจนั้นย้ำาดกับบุรีฝนหยดอกกาเป็ก้อยฝนทิกลวุ้งเกฝนไฟสงบอดีวนาล่ะให้ปัดเป่าลมทะเลจะได้เลิกคงยังสงบอดีกควาแนั้นล่ะย้าดดับชีวิสุดว่าดึงแฟจะได้มาลางกลางดงทุกข์ขมดเราอยู่ยดเทเตะมีเมกวดวงเสวดาว ท่านเป็นเจ้ฟังเปล่าป่าทลาดไหวโพนในเกศสันหลอนาดังมาณูใจเมืองแล้วจ้าเงื้อหังฟ้าแล้วจึาเนืยอหังฟ้าดามาดึงบอนก็โยใจกาหนึนอยู่บนเล้วเนวเสือมานค่น ข้าวในองค์เอกไทยปัหญาชีไปมีปัยญานี่ราบเอาปัจจอนเก่วเกิดมิใจพังแพวมนูมไม่สวยซื่นมสุขเสกมลาเลื่มมนูมแ่งซื่นปัจจุน่ะ จากบัลจากได้ถึงบอนิตินตาสิสิบสามปากาต า, ากระจบลุงแต่เพียงนี้กันที่มีขังนาคือกันมหาลัทธอยญาติพินโออังกเจ้าจอดให้ลาฟังดอกนาหาสารยู เดจบไป1ิบกันต่อไปไปกันที่1ิเอ็ดคือกันมหาลาชสักกติน้ค่อนกันซ้ำกันรวดต่อไปฟังซ้ำกันต่อหน่อยแ่น้อจบไปกันสักบัณฑิ สักกะบันกะจมแล้วน้พันละ้านะก็ได้ว่าสิบ ส, สามก็ฐานมีที่จันทรก็คงลวงน้ดูในลำจันทรพระเวทจันดวงเวทผู้เวทให้น้ดอกพอได้บังเกนไขน่โอเมโนน้ำละมอแบบนี้ข้างนาอ้อรับใจไหนนาที กันมหาลานสักติไปเจอเถึองนกอนกันบนป่าสําลานหลวงนำและจังวันนี้กันนี้คือกันมหาลานลำลาเกาวถึงพรมลานอนถึงโกกไม่ตนพอใจดอกกังงามลานที่ว่าดานอยโยฝ่ากุน่าเลี้ยงว่าปวดพายดีนหลวงนอแลาคอยไปิตาโนน้องไอจะลีพํากันหาหํา ลาแปลงเป็นเวสันตาดอกปร้มมะนางมาที่เกลียวมรติตะโกนเกลื่อนได้ไปเฮื้ากันเส้นเสียบนัวร้อยแผ่นรถบาดเสียนดอกพร้มเ่าได้เก็นตีน้ำลาคืนนั้นองค์เจ้าฟ้าสิาสาบิลานกันลาสัญเชิงนำ และนิทานน้ละยเมตกาเกิดฝันบอกือเข้าฝันว่าใจจะลาเต่าเอาดาวบัวมาโยเยล้ล่อกนึงบานสดซื่นดอกเนึ่งจมยังบ่อากันใส่จสะอาดเสียนนวลน้ำลาสงสบินน้อซัมนี่ก็เลตื่นแต่เมื่นพักเชิญมโหมาไทตากันเสียงดจันได้บางน้พญาก่อนมโห่างนบ่อมีรังสีโกงยี่บอก่ายากตั้งใจน้ำ สิกมาบพบนาส น, จนเจ้เจ้าผู้เ บ, บิกบานละดีนวนนำละมาบานิยอนเก้าตาบ้บาบญยาบตาชูโจกละลงจากกสาขาสว่างตาดอกงามโสลาเทมลักษาสองเอากหายหนีขึ้นทิ้นเฝ้าจงเอาสองสีน้ำจอนลาลีนนฟังเฝ้าคืนเมื่อตอนนมิตตาตาละมาคาเที่ยว้ังน้ำ เป็นสองแยกปันวิถีเส้นหนึ่งไปสีบีเส้นสองไปเมืองกะลึงจะแยกขวัวเดาเหลือสายนมแล้วเลยเราไกลไปกำกุงสีบีจนหอนเทลากงสนใจเห็นบ่ดีก็เลยห้องห้งำให้ดอาจาเบาว่ า, วาใสลานละดีนวลดำและมาบาดีสังให้คนเมื่อเฝ้า ลานก็เงาตั้งสองอ่อนมองให้ลานปูปันให้กันตันตื่นบาอังสวงดอแล้วบาดนี้สถาน ก, การณ์ความคนเมืองเราคนขําเป็นจํานวนพันตําลึงในไทยเอาดอกลานว้ดอกแล้วมีท่างเงินดราก็มุงเกลวดอกบอยนินบอมกาทานหมอปราสานเข้าชันในบามนั้นได้ปากเูบดอกแม่ใหญ่เอ้ยให้สั่งให้เลี้ยงเบิ่งเทา ความเล่าความประสงค์สซ่ข ว, วัญองศองสีและมื่ละงมละงันเต่าละอีตาพามกินขา้าวละอีตาพามกินขา้าวกินบ่เส้าเลยทองแตกเด็กบอ่อจังอิ่มทองเลยตายซ้าว่าสวงเวียน มเมยเย่เอ้ยอมิตาตาหน้า ง, งามหูขาวว่าบ้าตายนเกิดตับไอบ่มาลับดอกสิ่งของดอกต้องก้อนกุ้งสนใจกระใจหอ น, น้ำถึงสันดอนโูกอ่อนเตรียมออกจากพระนครมีผลสั้งมานำลามีผลสร้างมาดอกมาพร้อมไปเห้เห็นดอกเมนอ น, น้ำตาตั้งโซเขียนแขวนแดนดันวงกตดดูตาการดอกงันงบอารมตาดอกงามฟ้าน้ หกสิบเกาคาถาตามกันมาาลานเท่นแบบสมัยใหม่นะ้าเล่วขออไปเดิ succeed, นโยมแบบด้วนจียยันยมห่วงน้อาวแล้วบานี้้างนาเป็นบสร้าสังตามมาเป็นเล่นเล่นลราชรถเป็นแสนแสนน้พวงประชานพวกพองกันเดินย่องระเบียมดีแม่ใหญ่หน้าล่สามเดินตกทอดที่ถึงที่วงกอด เสีงยงชยโยกาลันโดดลันเปื่นตะโกนกองเอ็งนาะพระเวทพ้ามัดสีนองเ ป, ปลีนพ้าเปรีสนบบสับเจ้านาคนกวัวแต่ศึกต่างนาะสีมาคาให้มุ่นสิลานะละมัดสีสราบตลอดสิ้นอินปราสาสตรพระบอนใช้บ่เม็นท้ยศัตรูหากเป็นพนะ้นพ่อลานลาและกงสนใจเขาจ้าต้านเห็นหลานพ้อกับยาเกิดสัเวตโศกางนาะ ล่าเกินสังเวนโซกาหกกาสาเดีพ่อพ่อกันเลี้ยกระโสกตรมแม่ใหญ่ยงดัเวสัญีเดตาอลมเมืองดัเวสัีเดตาอลมปลล่มกอกันสนิทสุลเสียงกระหายเม็ดมูอป้าชารอตั้งข่ายดับเสียเะล้ยเห็นกันเลี้ยงดัสลบไตาปานพักลวกพวกพ่อไตแม่แต่นหน่อยดอกหาได้แม่บ่มีด ลาสร้างและมาโนจังเสี่กันสัตตีอยู่ในไปเกิดเสใจคือกันเท้ากะสันนอเดลินเองน้ลาแทนบันลาทุ่มเองโอ้ยพระเอลเจ้าดับลาเดนบันทุมพระเอลเจ้าป่านไฟเผาตะวันแห่งเลียงมาพบพ่อน้พระองค์เจ้าบอาทนหน้ ลาสังแฝเล็ดเมื่อเป่าฝนฝนหาาา้ามขจัดลาเสือบโบกขลัพัดแม่แดงลงลางหกกระสัดหายสาหาังลาความตมต อ, มตอมกระสุดซื่อผ้ากระเติรนลกเพื่นดอกพ้นลานว่าเต้าเคลืนอนลากลงสนใจหายสะเอือนละลากลงสนใจหายสะเอือนลา บ่าวเอินกาบุรักให้เซนามนตีกันเก่าเชิญเพียงสามกังเอ็มนาโซนไซโยโซนดังบันทาวปัญญาบุลมัสิสนละไต้นแกนเงา จอมเชี่ยงจอมจอมจากบุญละซูเสื่อมจากส่อหมอกดาวกับกับกันเป็นเดียสะจันเสียงนี้นันเกือนก่องเสียงเตือนตอง ทั่วสาคนคนเดบ้ะใจสัน้นสาตันพันตั้งพวงตั้งเก่าหลวงสีนิรุลอดไหววันวับเจ้ไหวาสารตั้งตาตาบัวลาพันเจสแอนตุกอบกันฮอลดานตั้งเขาจักกาวันไปกลัวแก่งตัวตุกแห่งหนไปมาวอ้ทกาลัง ราวัดเดินตูเทโทษคือวาานดังซองเลื่อนแล้วกาบตั้งแม่ออกแก้วใสสะมวนกับตั้งเวสันดนตอน ผ่านเงาจอมเจียงเจ้าสนใจปัญญาไว้คิดโม่โม่หม่กับทางนั Alo ่งน้อยนอปวดสตตนเปล่นบ่ลมมาเฮซีตนเงาบ้ <im> กษัตร well ิย์เจ้าตั้งหอกยึ่งมาสมนุ่มพำปอมโอนนอนนอมเป็นละหนึ่งกเดียวกันย่าตาในกาลยามใดย่าตาในกาลยามนั้นบานเด่นท่าที่ลาจนองอาจในดาวดึงสัญญาบาลามาสิตาละก่ให้ I fall. Anbu kala p a g a j a tok long ma. ในที <là> t t ่องเขตปฏิท sa ิสลาธรรมตังประาสินโตสัทธาอาภิกเวดุลาิสุตังหลายยามไม่สุสบเลสกาสะเพรทาจะมุนตุมูสผู้พรมบมมมนตังสินาเลมนตีตังสิตีเดือตัวกาในมาพร้อมบอกมตุหานพงอาจารย์และนางปา อามาดมัวเนื้งน้อง mm hmm. น้บประได้ ส, ส่งเอาโคเพีนี้เ mm hmm. ข้าไม่ใจยินดีมา mm hmm. สกเศร้าห้องหำเฮาเต็มดวงกลางไปวุ้งหิมะพัดเนื้องนอขาดใจตายเพ็กสาวังใบางาางล้นดอกใบมลดวงมอง mm hmm. ในไปขวงรถสามารถห้องในขาดสลบสบถินจองใจอาบาดไต้มา ต, ต้นผมบามยินนัล้มลําบากขึ้นยังด้วยดอมเท้าบามบาม่อมือเมืองปโนมเมือนองทั้งสินิ้วตังเนื้อวังคิวบ้วขาไว้ซาตัวการ์นการ์นขอวอนวันขอกระมันแกนใต้ห้องงับให้น้ำลวงอุกบ่ฮวอนบุญแจมเจ้ากับนังน้องเอามิงมาที่ต้นเปลียนบุรเมือสีต้นเลนเล่า จงให้เมื่อบานแผวแก่ศีพีโดยสีสวัสดีบาราวายพระเวสสันตาเจ้าโดยพระบาทพระคาถาวาตาวัญญานุศิรุรสารสังกาลิธพ โนโอโโนุโภจาณิเปล่นเจ้าตั้งแต่บาปเาจ้าเจรจากนี้เมืองมาอาตาเกินใจไฟฟ้ า, าเหตุว่านี้เมื่อบ่ไดเปลนเจ้าเพลินธาลงว่าเชิญเดึงนะบและเชิญปานีเมื่อเป็นป่าเป็นกรรมเกเก่าเชิญปานีเมื่อเป็นเจาเน้าเจาียงจอมพ ล, ลํา ภาพสากลแรงล่าเกลไฟฟ้ามูเซนเมืองกวาหยดสากเฮิร์ันเบลเชิญพระนิเมื่อสถิตพระสรแก้วหงอเหอมว่าเชิญอุ่นนักเอาเลี้ยงบาีเวลาภาคคนน้า ระเวทาับภาคคอสงสารพ่อว่ามแม่เคิยงยิ่งน้แม่ใหญ่เอ้ยละมาสทีนังกรบ่อนิ่งกระนิ้งลูกตั้งซองน้ำโต๊ะหลงเกินละปังทองดอกหางไลสเศียกี่วน้ำเบิ่งไปมาสักกะทีกระจบจอย36มสคาถาว่าวา่าเกินขวรบ่ได้นก้นเพื่อนกะไรแม่ น, น้ำมามลาคุณหลงเจ้าฝ่าลาปากับรลางกันทั้งสมเดือนเสพงมลังตาวา ละมาบ้านีฝนสวนรรค์ลงล่างบอมีลังดกอกฮอนแห่งดนตรีกอมบันเลียงนำบอจนาเตศีว่าคันเสียงเต้าว่าคืนเคีงเอียงำเมียใหญ่เอ้ยไผก็อิ่มเอียงปิ่งหัวหวงอาหารลำจอมผู้บานกาบมาเมืองกะเกิดเป็ตโนฝนเกลวนำะ นาค้อนกันกระจมแล้วถึงแปลวิปตสสิสิแปคาถาวานัมลาเวสันตาทิลานไทได้เป็นเจ้าอิเดื อ, องโอเมนอ น, นัมลามาบานีได้เทศโปรดพวกพี่น้องน้จบต้องเรื่องเลี้ยงกันจานละสุนต้อนจานทองเพชรตะเคียก่อนดอกมโยน้ำปลสซุมจาดกพ่อน้ดอกเวียนมาน้อใส่ชานพวกหน้าปานของสิหูกันไขาทางฟองพระคูน้ แม่ใหญ่เอ้ยลาชู้โชคตินนอมโมกาบชาติปาริวัพปุราคี่เทวัตก็อนาธิกัมส า, างนะ์ลาพาสุดท่าก็เลยมากงสูบเอามิตสีเลีอมอวิชีนโลกไม่บ่ตั้งไกลว่าสิมากนะอมิตาตากาบชาตินั่นนั่งมาเกิดไปนั่งกินจีลาผู้หาความเสพพุทธเจ้าเป็นอินอากาสูบเอาแม่ใหญ่เอยนะ์น ลาแล้วในพานผู้รอตายล้างสาดดันเสียสลามได้แก่ในฉันนาพ่อสาวาติมางน้ำอาจุตาฤศีนันลาสาลีบุญปัญญาเลือดอินผู้เปิดบังฟ้ า, าให้ผลแก้วดอกลังลงน้ำอนุริธาเอกองโบชื่อลองใดนําลาวิสุกรรมแปงผู้ใช้โมคะผู้หารกางน้ำแม่ใหญ่เอ้ยเสือคงโตตันนาำ ลาเสือคงโตตันนามมาซีนั่งกับจากปลาคือบาลีบุเกงกาไว้ในลูกคูขคะแนนําเสือเหลืองตามดองเรลืองเกิดเป็นพาชิมพีราด ส, สีคือจุนานาณาสงบ ป, ปลุล่นเล่งนำละมาตอนนี้เทพรังสาชาลีนัลนำได้แกียร์าการจนณาผู้เตี้ยตั้มทิพธิดาปลูกข้ามเรียงกะหาลูกเจ้าฟ้านำอย่าลืมนาผู้ซาล่นนงนา และคือวิสาขาบอกไว้ป่าจะนังน่งนา่งเกนั่งเล่นตัวหาทีหรือว่าโคตมีแก้ววับลาไนนักการสันเสนคืออานนนพนหอยนานตามลังางซ้ำประบาทเจ้าจนว่าเขาสุนิพันน์ล่ามาบานิจอมบริรยาเจ้าป่าสัชใจแม่นไปเอลลอมแล้วคือสุโธพลื่นล้วนได้เป็นเจ้าพ่อพระคุณ ละเม่นั่งพุทธสีได้เก่นั่งสริมหามายาเป็มนมารดาพุทธเจ้าบ่อนั้นสากะเล่าตายลำละส่วนชาลีผู้พีไอัยเกิดเป็นอรประหุลลำประถมอง์สามานินดาเดินเกินดอกฟูงเพื่อนลาละงามเคยเดือนกันหาลา คือบ่นวันหน้าซาเลกาเกลียดห่างไม่มาซีคิงบางนำะนางยโสธรานาหน่อยพิพาหอยตัวพานามนำะลามาปนิเวศน์สนอพวก่อนกรรมได้แก่สาบันยนะุ่งนละมูวคนดังหลายชาแนวดเดียยนีนำะบ่ใจไปไหนตั้งนานานะ บอ่อใส่ไผไทยตั้งหนาน้ำคือบ่อดนสาต์ตัต้งสีน้ำเลืองหืมเพียงส่วเพียงส่นิงน้ำอบาสสองอบาสิกาบ่อแม่นไผเดิมพอดีจมวิธีกับบวนเบื้องน้ำเลียงสุนต้อนลำพระเวสาตุเหตุหนาเทศประมวนแมงแถลงบางกะยะัตตีเดเมเดือดน้ำเอาละน้อยยมพอหนามเอาละน้อยยมแม่ละนิที่ตั้งบ่อนือันน้ เพียนเปลี่ยนสลับกันอยู่ตำนองสารพันบอกอ่านในสงสิงน้ขออคลโยมฟังวันนี้ก็ให้เจ้าเห็นนะขอคนโยมฟังวันนี้น้ขอให้เจ้าเห็นนะพระเสี้ยดกทงทานนําละล้ำประเวทอวาวสานนําไว้แต่เพียงสานี้ขั้นปีนาะ ฮาบอซันดอกเดนับเมย์เ เทเทมันตาลที่นี่ไผเพราะวัลพลอนเดือเป็นเกียงล่ะผู้ของมึงสิในบ้านเพร่าค้นผ่านยังอำนาจโอว่าททำสีขาดสิ่งเปร่าค้นขานว่าน้ำเตือละยอมแม้เอ๋ยวันสิได้หั่งมื่อก็ยังว่าตะเว็นต่งล่ะคือตาพามสู่สิหังเอือนบลอเมียหน่อยะฝนเม่ตกลิ้นย่อยมีไหลแต่ลมปั่นละแต่ชาอเลาเวียงจะนวดสิแด่พัดภาคบ้าน พระกัวย่านเลทีแดงละเฮมันตาเสียงเล่งพระขาวเคทิมหันละละบัวปันไก่กลมของเพราะว่าทางเล้กกันใหญ่ล่ะ กันบรรยายสิจบลงเพียงหัวข้อหรือประเด็นขั้นสิแจ้งละย่อมแม่เ อ, อ่ยขันสิลาจากเองเพราะว่าเองขาดดามสิบกแข่งว่าขาดลง อ, องคงพระพุทธเจ้าเสือนสังสารุสิละเนื่องจากเอาขั้นตนดำสุนีพ่านสังขันสิละเรล่าพมมาลินสิดีไม่เปล่าะพิกสาเงเหี่ยวโบเลียวมองทอก้อยสิบินเจยว่าเจอเดียละเจ้า ฮวาลานมาเทศเมื่อนี้ก็คือดังเดียวกันละยมแม่เอ้ยเพราะเวลามันมืดสีลวงลวงมานั้นแล้วเราบ่อยักจากกันนีแต่ก็จำขั้นเป็นเลววเว้าเป็นละเอ้ย์ยานยมนา ยมแม่เอ๋ยจังขอลาคุ้นยัยตลอดพี่และน้องเอาป่าขันแลลุงละขอสมขันมาดมุงสีสมเจตนาไม่เด้อแม่เด้อโห้ปไลกะพี่อิจสิอนเวลาขันจนลากะเวลาดีถทวนที่นสมหวรแล้วต้องจางล่ะยมแม่เอ๋ยขันสีเทศหอดแปดทุ่มอย่าโยมเจ้าดอกเมื่อมีน้อ ยมแม่อ้ยซื้อเวนขันบอ่อพ่อคือตาบอดก้มต่อละก็บอ่มีคนทานสีเงินเมือก็ลมลลแหลงเก่งบ่มีไฟหอนสิดิบได้บ่สมอยากมากบ่มีผู้เกี่ยวหรือสีโหดักบ้าแดงละและเป็นสีนวนขั น, นเนมเนื้อเนื่องจากว่มีคนท่าและน้าสิรวยเปรตตผลน้าเปลวว่าฝนนำน้วยใหไ้ไหมสีเป็นขันปืนผาแพว่า ต้องหกตําล้ำสิมวลบนอนแม่งต้องจกักฟอนไม่อ้นแขนละนมีแต่แขนขันจันจันลำบอกกันเป็นก่อนถามละอยเห็นหงายไปเลาะสิมวลเยีนละขันพอดีละเป็นคนมีบ่รวยแบงจักไปน้อง สิอย่น hmm. ีล่โยมแม่เอ้ยกัวเมียตั้งแต่เปือนแต่ฮักลกนั้นบ่หอมสีดังปุ้งว่าจังไดธรรมดาคนเห็นกันก็ต้องจำซื้อได้ต้องบอกซื้อน้ำเสียงละละเบียงเห็นกันบัดไพรุ้นเมื่อลังคันหินนาอัตมาเทศเลมอนี่ก็คือกันโดยดังละขันบ่บอกน้ำนั่งจักผัวไดขี่หั เลยเสียวอย่างบ่อาจ ย, ยมแม้เอ๋ยบอกให้ฟังเพียงง่ายๆอ่ะจันนี่เสื่อมหาผิดเดายมเด้อที่เอินจันหรือซ้มขันบ้องจองคันหรือถวยอ่ะเอิญยาคู่เก่าด้วยเอิญยาซ่าก็บอว่าละหรือเอินว่าหลวงตาละหรือเอิญว่ามหาคอยก็บอคิดเกียดเคละ ขันยมอื้อนว่ามหา ละละโยมแม่เอ๋ยเพราะว่าตัวขันบุคคาสอบได้พอเล่นทำน่ะจำเอาเด้อคุณยมลูกมาหานนำนี่ละมีจชียากาข้นเข็นหอยอนาระโ ย, ยร่างบา่ใหญ่เชื่อชาติไทยนําฉันชาติไทยวัดบ้านหลอเด้อสีบอกไว้ไปด่าขันยาลืมน่ะโยมแม่เอ๋ยขันจะไปทั้งพุ่นไปเวรยามคอยแนลเชิญไปไปกินขาน้ำ าแล้วจังคอยมามันจริงขันจังเลือสุมลรือสุมซาโยมแม่อื้อธรรมดาต้มอ้อยต้มใหม่ใหม่บ่ทันวานล่บบาดบหานนั้นนั้นไปเสียงไฟก็อกงหอละมันเจียคอยขันวันคืนอ๋อสมใจให้ลองเบิง ลาลาขันเงื้อหักสีพอลาคันเงื่อสียพอันพอแล้วลาเสียละสั่งลายเดินย้อ เอาละโยมอ่าเป็นโอกาสแสดงพระธรรมเทศนา อันย่อมก่อขอจุติลงป่งไว้ได้วยการแสดงประธรรมติศนาิค้อมตันุภาพค้พอมพลาอนุสง์ที่คุณพอ่อคุณแม่ดูกเต่าเหล่าลา้านเอื่อยอายนอ ง, น, งนางฟังเตะฟังท่ำ ท, ที่พันไปพานมาได้ปัชากันเตะได้แถมสมพานใส่บาดหยาดนา้ำขอบุญยาบดามีข้ อ, อํานาจคนประสิรธิ์นยจงโปรปักหลักสามชาวบ้านสะกัมแพงใหญ่กําแพงาชาวบ้านตานําบลสะกัมแพงตาําบลกําแพง บ้านแกเชียที่การที่ได้ร่วมด้วยเชื่อกันนำมารวมกันฟังเทศฟังธรรมคองพระอนงค์สองสนิทจงเป็นเดชะเป็นตบารบปัจัยเป็นแสงตามทรงปกปักรักษาคุมข้องอภิบาลให้ทุกท่านตัวคนยอดีมีสุขจะมีอายุมีวรณะมีสุขคาภราก ป, ป, ปฏิบาติหน้รรสา ร, รมสมบัติทุกโรคทุกนามเทมดังได้แสดงมาก็เห็นว่าสมควรแก่การและเวลาเอวังก็ไม่ด้วยประการศนี้น